การบรรยายธรรมจากพระไตรปิฎกเรื่องเจโตปริยญาณ16ขั้นอันวิเศษ ร, รู้รอบในจิตโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่22มีนาคม2527เทปชุดนี้ได้อัดไว้นาะนแล้วระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่การบรรยายธรรมนั้นดีมากคณะผู้จัดทาหวังในประโยชน์ของผู้ฟังจึงได้จัดทาออกมา ขอเชิญท่านเรียกเฟนเอาสารธรรมได้ณปัตนีจบทิพยโสดนะฟังเสียงฟังเสียงใกล้เสียงไกลฟังเสียงโน่นนี่แต่ไม่ใช่ไปฟังเสียงกลองถ้าเสียงกลองอยู่ไกลๆก็ยังเข้าหูคุณเนี่ยคุณก็ไปโรงพยาบาลศีธัญญาได้ เสียงกรองไงกลๆก็ได้ยินเสียงกรองไงกลๆก็ได้ยินเสียงตะโพนเสียง อ, อะไรอะไรต่าง ๆ, ๆนานานี่ก็ได้ยินอยู่นี่คุณไปโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เพราะถ้าเสียงกรองอยู่ไกลๆมันเข้าได้เสียงบา่บาบออะไรมันก็เข้าหูคุณได้ตายคุณตายแน่ๆเสียงอะไรมันรบกวนหูคุณแน่ๆคุณตายคุณบ้าซึ่งไม่ใช่ภาษาตื้นๆอย่างนั้นนะท่านเพียบประหนึ่งดังอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็บอกไว้ด้วยว่าประดุจเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาได้พึงได้ยินเสียง ประดุดเปรียบเหมือนกับยังได้ยินเสียงอันนั้นอันนี้ว่าเอออันนี้ยังไกลๆนี่นะอาตมาอธิบายความหมายฟังอย่างด้วยว่ามันเหมือนก็ยังไกลๆเหมือนกับมันไม่ได้ยินชัดเท่าไรหร่ร้องมันไกลๆเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ยินชัดเท่าไหร่หรอกแต่คุณก็ยังสามารถกําหนดรู้ได้โอ้นี่เสียงเปิงมาอันนี้เสียงตะโพนอันนี้เป็นเสียงบรนดออันนี้เป็นเสียงนี้แบ่งมันออกเหมือนกับเราได้ยินเสียงมนุษย์แล้วเราก็ฟังเหมือนกับเราได้รู้ใดๆมันได้ฟังเสียงไกลๆ ได้ยินเสียงมนุษย์คุณพูดเป็นภาษาคนเต็มคำนี่แหละพูดเป็นภาษามนุษย์เป็นภาษาคนเต็มคำแต่ไอที่เป็นเสียงทิฟมันเหมือนเสียงไรไรมันยังไม่ชัดไม่เก่งเท่าไหร่เหมือนมันฟังเสียงกรองไกลๆคุณฟังแล้วก็เออไอนี้มันมันมีราคะผสมมานี่อันนี้มันมีโทสะผสมมานี่นะเนี่ยโทสะชนิดแรงโทสะชนิดเบา ราคาชนิดแรงราคาชนิดเบาหรือว่าโมหะเอ๊ะนี่มันโมหะความหลงผิดนี่มันผสมประสานมามากบ้างน้อยบ้างหรือมันลีลาไปนในเชิงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนก็บอกว่านี่แยกออกเป็นเสียงกลองนี่เป็นเสียงเปิงมังนี่เป็นเสียงตะโพนนี่เป็นเสียงบันดอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แยกออกว่าเอออันนี้มันเหมือนจะเป็นแบ่งออกง่ายๆว่าโลภะโทสะราคะโมหะอะไรเนี่ยมันจะแบ่งออกแค่นี้ก็ตาม มันก็ยังพอแบ่งลักษณะที่ย่อยเป็นเชิงนั้นเชิงนี้ได้บ้างเหมือนกันเป็นเสียงทิพย์ที่มันไม่ได้แจ้งแจ้งชัดๆเหมือนเสียงมนุษย์หรอกนะอาตมาอาจจะบอกว่าพวกคุณเนี่ยแม่เนี่ยอาตม า, า จ, จะพูดมีน้ำเสียงนะมีลีลาอโอโ้โหนี่แบบนี้เนี่ยเอาหัวไปจิ้มขี่ตายซะนะคุณฟังก็เป็นภาษามนุษย์บอกเ อ, อยู่ดีๆเอาหัวเราไปจิ้มขี่นี่มันก็ภาษามนุษย์ก็วางงั้นนะ แต่ที่นี่คุณฟังแล้วว่าเอ๊ท่านองค์นี้เนี่ยมีเสียงทิพมีอะไรผสมประสานมาพูดด้วยใจอะไรแล้วนี่โกรธเคืองหรือหรือเมตตามีอะไรวิญญาณเมตตาหรือวิญญาณโกรธเคืองประกอบลงไปด้วยนี่ไล่เอาเราหัวไปจิ้มขี้ตายเนี่มน อ, อมันแบบนี้โกรธเราแล้วนินาเสียงมนุษย์ก็เข้าใจเอาง่ายๆได้อย่างงั้นแต่ที่จริงก็ไรๆเห็นไรๆเอ๊ะไม่ใช่นะนี่ท่านว่าเราด้วยเมตตานะเนี่ย มีเมตตาประกอบในจิตวิญญาณนี่มาท่านวิเคราะห์วิจัยท่านเป็นเชิงลีลาอะไรต่ตางๆนาน า, นาเราก็จะรู้ในเชิงต่างๆเหมือนได้ยินเสียงเอออย่างนี้มันลักษณะเหมือเนเปิงมางหน้านี่ั้ลักษณะเหมือนกระตพน์นะนี่เหมือนลักษณะเหมือนกับบันดกนี่มืนลักษณะเหมือกบบ น, น, น ก, อกับเสียงสังอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับแบ่งแยกลีลาแบ่งแยกสภาพอะไรต่างๆออกไปได้อย่างนั้นแหละนี่เราฟังเสียงนี่แหละเรารู้ แล้เรารู้เสียงทิพก็คืออันนี้ภาษาธรรมดาคนธรรมดาก็ฟังเสียงมนุษย์ก็ออกทุกคำอย่างภาษาไทยเราอาตมาพูดไทยคุณก็ฟังออกหมดตัวเล็กตัวน้อยกว่านี้คุณมานั่งอยู่นี่ก็ฟังออกทั้งนั้นแหะรู้จักภาษาไทยก็ฟังออกฟังภาษาไทยความหมายของภาษาไทยพอเข้าใจความหมายได้ก็เข้าใจด้วยกันทุกคนแต่จะรู้สิ่งที่ประกอบกับภาษานั้ น, น, นที่กล่าวแล้วสามารถอย่างรู้จิตจึงเรียกว่าทิพยโสตสามารถอย่างรู้จิตสามารถอย่างรู้ทิพ สามารถอย่างรู้สิ่งที่มันสําคัญสิ่งที่ควรรู้ว่าเออนี่ท่านประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ไมาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราสามารถฟังแ ล, ล้วรู้ด้วยนั่นลราเรียกว่าโสตทิปไม่ใช่อยู่ดีๆก็เสียงกลองมันจะไ ก, กลไกลก็ได้ยินเสียงใครพูดก็ไม่ได้ยินตายเลยเสียงใกล้กลไไ็ได้ยินเสียงไกลก็ได้ยินถัดไกลมันได้ยินไกลมันก็ต้องได้ยินนะที หูแตกตายเป็นบ้าแน่ถ้าแบบนั้นไม่ใช่หูทิฟที่จะเป็นความดีหรอกตายเป็นบ้าตายจริงจริงแต่ที่เขาได้ยินเสียงอ น, นนู่นนี่อยู่ทุกวันนีนะ่มันเป็นเสียงที่เข้าโรงพยาบาลมันเสียงอุปทานมีเสียงอะไรเหมือนพูดกรอกหูมันไม่มีจริงหรอกเสียงพวกนี้มันไม่ได้มาเข้าโคลอะไรก็ได้หรอกมันธรรมดาธรรมชาติมันก็เออเสียงที่มันมีคลื่นเสียงขนาดนั้นได้ยินก็ได้ยินพอๆกันมันจะมากจะน้อยกว่ากันบ้างเล็กๆน้อย สำหรับคนก็ได้ประมาณนี้สําหรับสัตว์บางประเภทมันอาจจะได้ยินดีขึ้นรับเสียงมันดีกว่าเราเพราะว่ามันรับคลื่นความถี่กว่เราก็เป็นได้สัตว์บางชนิดคนก็มีขนาดนี้ขนาดนี้จะดีจะตึงกว่ากันบ้างกันนิดหน่อยมันไม่ห่างกันไกลเกินควร่รามันก็จะได้ยินเสียงตามคลื่นที่มีความถี่ที่มันจะได้ก็เท่านี้เท่านี้ถ้าเกินกว่านี้แล้วเข้าหูคนมันก็ไม่รู้สึกระับไม่ติดแล้วที่นี่ไม่ใช่ไม่มีเสียงทั่วไปในมีเสียงทั้งนั้น คลื่นความถี่ของเสียงที่มันจะเกิดไปอะไรต่อะไรที่มันจะเป็นเสียงให้คุณฟังได้มันมีอยู่ในนี้มันก็มีทั้งนั้นแต่หูคนไม่ได้ยินะคือได้ยินตายก็บอกแล้วคือได้ยินตายคุณก็ได้ยินเท่าเข็ของคุณนี่นะธรรมชาติหรือว่าลักษณะของคนคคคก็เท่านี้แหะคุณคนก็เท่านี้จะได้ยินได้ไม่ได้ยินก็เท่านี้ไม่ธรรมดาแต่ไม่ได้หมายถึงรูปประทับแค่นี้ที่ว่าเสียงทิพน่ะ เสียงทิพย์คือสิ่งที่กล่าวแล้วเป็นเสียงของธรรมะเป็นเสียงของการรู้อย่างรู้อะไรประกอบอันนี้ออกมานอกจากภาษาธรรมดานี่พูดหวานแต่ที่ไหนได้นี่หมายถึงอะไรคำพูดหวานนี้ประกอบไปด้วยจิตปิญญาณที่ต้องการจะโลภอะไรเราต้องการจะมีอะไรอยู่ในอะไรเราฟังได้ บางทีประกอบมาด้วยลักษณะโอ้โห و, คนนี่หวานพูดกับเราเนี่ที่แท้ใจเอา ม, มหิตวโหดร้ายอาฆาตกําลังจะฆ่าเราด้วยเกสร น, น้ําเกสรดอกไม้กำลังจะฆ่าเราด้วยหยาดน้ําพึ่งโอ้ฟังนี่เป็นหยาดน้ําพึ่งเลยที่ไหนได้เนี่ประกอบไปด้วยยาพิษพอกมาหรือเสียงที่เราฟังฟังรู้ฟังออกเข้าใจในสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะ ลึกลับอะไรมันมีเหตุมีผลของมันด้วยอย่างที่ว่านี้นี่คือทิพยโสตนะที่ท่านบอกว่าเธอได้ยินเสียงสองชนิดนะเสียงทิพและเสียงมนุษย์เป็นลักษณนะนี้นี่ก็ทวนนิดหน่อยเอาต่อไปทีนี้เจโตปริยญาณมันจะเนื่องเกี่ยวกันมาหมดเลยวิปัสนาญาณมนโนมยิทธิอิทธิวิธีทิพยโสตสามารถที่จะสัมพันธ์กันมาเลยเพราะคุณปฏิบัติวิปัสนาญาณเพราะคุณปฏิบัติปฏิบัติวิปัสน า, านคุณจึงเกิดญาณ เกิดรู้แล้วก็เกิดปรับปรุงปรับปรุงได้เป็นมนโนมยิทธิมีวิธีการก็เรียกว่ามีอิทธิวิธีนะอิทธิวิทยานในนี้ถ้เกตอิทธิวิทยานมีอิทธิวิธีทํทำได้จนเกิดทิพยโสตยทิยาทวาเนี่ยนะเราสามารถที่จะปฏิบัติทำแบบมรรคองค์8มันก็อยู่ก็สัมผัสมีเสียงมีอะไรอะไรสัมผัสนี่แหละแล้วคุณก็จะรู้เข้าใจอะไรอะไ ร, ะไ ร, ะไรเพิ่มขึ้น แล้วก็อย่างรู้ทางจิตเจโตปริยญาณ ย, ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งอย่างรู้รายละเอียดของจิตยิ่งขึ้นสูงขึ้นวิปัสสนาญาณก็สูงขึ้นตามอิทธิวิธีที่กระทําไปกระทาให้เราเกิดเจโตปริยญาณโสดทิพย์ก็มีตามมาสามารถทําได้ยิ่งเราก็ยิ่งฐานสูงยิ่งเป็นมนโนมยิทธิทําำได้ก็ยิ่งสูงเจโตปริยญาณนี่ท่านว่าไว้งี้นะเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายละเอียดอาจจะได้เจโตปริยญาณ หมวดเดียวละวันนี้สำคัญนะเจโตปริยาณเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วจะแยกแยกให้ฟังแล้วเขาเข้าใจกันยังไงทั่วไปเจโตปริยานและอาตมาเข้าใจวิเคราะห์วิจัยให้ฟังยังไงนะเดี๋ยวฟังดูเจโตปริยาณข้อ13อภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริบูรณ์บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่ อ, อน ควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริย า, ยานเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจมีจิตมีราคืคอจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ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 จริงมันก็ต้องมีก็รู้เหมือนกันนะนะแต่ตอนนี้เขาไม่เอากันแล้วจิตมหารกตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหารกตะหรือจิตไม่เป็นมหาศกตะแล้วก็กระจบไปเลยไม่มีมันก็รู้เหมือนกันน่ยจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอันนี้มันตกไปเนี่ยจิตไม่เป็นมหารกตัมหัศกตะในนั้นนี้ไหม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 ในคำต่างๆนี่เดี๋ยวกำกับบาลีให้มันมีอยู่16คําคำจำห้มั่นเลยจำไดเ้เข้าใจแล้วทีนี้คุณรู้เลยลวเวลาปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ในรายละเอียดตรงนี้นะดูกรมหมาหบอพิษเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ า, น า, นาอันใส หน้ามีไฟก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฟหรือหน้าไม่มีไฟก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฟฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่ อ, อนควรแก่การงานตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยาณ เธอย่อมกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปรสศจาราคะอันนี้เหมือนกันกับบทต้นน่ะก็รู้ว่าจิตปราศจาราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตหรือจิตปราศจาโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปรสศจาโมหะก็รู้จิตปราศจากโมหะจิตหอนหูก็รู้ว่าจิตหดโหจิตหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน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 ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตกว่าสามมัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆถ้ามันยาวกว่านี้หน่อยก็คงหลับกันหมดพอดีนี่มันไม่ยาวเท่าไหร่ก็พอทนฟังยังไม่ทันหลับได้ใช่ไหมถามจริงๆเดี๋ยมันซาบซึ้งตรึงใจบ้างไหมซาบซึ้งไหมตอกกลงกล้องเลยซาบซึ้งตรึงใจบ้างไหม บ้างด้วยเอะรู้เรื่องดีเลยทันทีทราบซึ้งนี่ต้องรู้เรื่องดีแล้วนะถ้ายังไม่รู้เรื่องดีเลยสาราบซึงไม่ได้นะขั้นทราบซึ้งนี่ต้องรู้เรื่องดีแล้วนะมันถึงจะสาราบซึงธรรมดาคนเรารู้เรื่องดีเนี่ยังไม่ทันทราบซึ้งหรอกแต่ว่าเออก็เข้าใจดีนะรเรื่องดีแต่ยังไม่ถึงทราบซึ้งหรอกแต่ถ้าคําว่าทราบซึ้งนี่มันต้องหมายความว่ารู้เรื่องดีแล้วนะรู้เรื่องดีแล้วเหรอ พอสมควรยังไม่ถึงขั้นดีขั้นใช้ได้นี่คุณครูเวลาตรวจเนี่ยพอไปได้ใช้ได้ดีมันเหนือกว่าใช้ได้พอไปได้พอสมควรถ้าดีนี่มันเหนือกว่านะดีมากกว่าเหนือไปกว่านั้นใช่ไหมอ้าวเอ้คุณครูดีเขาตัดสินยังไงนี่ตัดเครอร์ฟผิดที่เล่าตอบสับสนเนี่ยถึงการนทราบซึ้งนี่มันเลยดีแล้วด้วยมันเลยดีแล้วด้วยถึงทราบซึ้งนะ เออยก็ยังไม่ทันจะมีดีแล้วบอกทราบซึ่งพอสมควรนี่ให้คะแนนแบบนี้สิคุณครูเนี่ยเด็กตกรึบได้ก็แบบนี้นไม่แน่ใจนี่วันไหนอารมณ์ไม่ดีนี่สงสัยเด็กตกเรียบเลยเนี่ยอันนี้พออาตมาอ่านไปแล้วนี่ใครก็จะเข้าใจใครก็จะเห็นได้เลยบอกว่าแม่มันยากนะพอแต่ปิโดโรงฟังไาแล้วมา ไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยก็จิตโมหะไม่มีโมก็รู้ว่าโมหะจิตปัสจาโมหะก็รู้จิตปัสจาโม ห, โม ห, หดหูก็รู้ว่าหดหูอะไรเอ้ยมันก็ไอ้แค่นี้มันเห็นทราบซึ่งอะไรกันนักกันนามันก็รู้แต่ว่าเออถ้าปฏิบัติถ้าบอกเจโตบรยาณสามารถรู้จิตพูก ง, งา่ายง่ายอาทีนี่มันมีข้อสําคัญอยู่ตรงนี้เขาก็ขึ้นต้นได้สมาธิทั้งนั้นแหละจิตอ่ อ, อ, อนจิตปัสจาอุปกิเล์อ่อนควรแกาการงานตั้งมั่นไม่ห ว, วั่นไหวมุทุภูเตกรรมมิดีเย กรรมนิเยตีเตอเนธนปฏเตติเคยพูดทุกทีมันก็เขาก็อย่างนี้ขึ้นก่อนอย่างนี้ทุกทีเพราะฌานเป็นบาดฐานของวิชาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฌานเป็นวิชาที่หนึ่งแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะได้วิชาอื่นรองจากที่อาตมายืนยันอยู่เสมอเสมอนะงั้นอาทีนี้มันมีข้อที่ตั้งก็สังเกตอยู่ก่อนอื่นก็คือว่าเธอย่อมกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนะ ท่านบอกว่ารู้ใจของสัตว์อื่นสัตว์อื่นท่านเรียกว่าบุคคลสัตตานังไอ้ไม่ใช่ประสัตตานังใจของสัตว์อื่นทีนี้ใจของบุคคลอื่นบุคคลอื่นด้วยใจรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะด้วยใจของเราเนี่แหละเป็นคนรู้บุคคลอื่นท่านก็เรียกว่าประบุคลานังเรียกว่าบุคคลนั่นแหละประก็อื่น ขสัตว์ก็ประสัตตาน낭นะทีนี้เขาก็มาแปลกันอย่างนี้เขาบอกว่าสามารถกาหนดรู้สัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยใจสามารถกาหนดรู้นะกาหนดรู้รู้ด้วยใจนี่แหละแล้วเขาก็แปลสัตว์อื่นบุคคลอื่นว่าโน่นสัตว์อื่นก็คือข้างนอกตัวเราบุคคลอื่นก็คือข้างนอกตัวเราโน่นหมดถ้าเราไปสามารถกาหนดรู้ จะสัตว์อื่นบุคคลอื่นโดยเอาใจเราไปกําหนดรู้นี่นะมันไม่ใช่การเรียนรู้ปรมัติตไม่ใช่การเรียนรู้วิปัสนาวิปัสนาท่านให้รู้ตนเองไอ้นี่มันเป็นการปฏิบัติวิปัสนาใช่ไหมเพราะการปฏิบัติวิปัสนาบอกว่าไปรู้ใจบุคคลอื่นไปรู้สัตว์อื่นไปรู้บุคคลอื่นด้วยใจเอาใจเราไปกําหนดรู้เนี่ยมันผิดละ มันผิดตั้งแต่ความหมายแค่เนี้เสร็จแล้วอัตมาเคยเห็นแต่บรรยายกันที่ไหนอาจารย์เนี่ยถ้าเจโตปริยายก็คือไปที่อย่างรู้ใจคนอื่นเขาว่างั้นเลยไปที่อย่างรู้ใจคนอื่นคําว่าอื่นนี่แหละหรืออื่นนี่มันแปลว่าต่างหากต่างจากต่างหากอันนี้อันนี้นี่อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ต่างหากจากอันนี้เนี่ยคืออันอื่นจากอันนี้ ฟังนิยามมันนี้ให้ออกซะก่อนอันอื่นประด้านนี่คือนี่อันหนึง่งอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต่างหากจากนี้ถ้าเขาไม่เข้าใจงี้เขาก็ไม่รู้นิยามมันนี้ด้วยแล้วไปเข้าใจผิดว่าสัตว์อื่นบุคคลอื่นคืออื่นๆไปโ น, น่นอนอกตัวนอกตนจริงๆจะเจงเลยคนปฏิบัติเจโตปริยานไม่ได้แล้วปฏิบัติเจโตปริญานไม่บรรลุเพราะไปที่ได้ทำนาคนอื่นอยู่ พระพุทธเจ้าได้ให้วิชานี่เป็นวิชาที่จะตัดสัตรู้นะเป็นวิชาที่กําลังจะไล่เข้าไปหาอาสวัคยญาเป็นวิชาสุดท้ายนะนี่เรานํากันแล้วว่านี่ถึงกับอาสวัคยญาเป็นอันสุดท้ายนี่มันจะไล่เรียงสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยดออกข an ึ้นไปเรื่อยเรื่อตั้งแต่เราเกิดวิปัสสนาญาณเพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อวิปัสสนาแล้วก็สามารถที่จะยังรูปรูน้ำวิปัสสนาญาณเนี่ยรู้เห็นรูปที่ทะลุปรุโปร่งเหมือนกับวางแก้วบนฝ่ามือ เห็นเข้าไปทะลุสัตว์ได้อยู่ที่ใจกลางแก้วใสนั้นได้นั่นคือวิญญาณร่างกายเรานี่คือแก้วสามารถตาหูจมูกลิ้นกายมองทะลุพุทธก็ไปหาวิญญาณได้เลยรูปตากระทบรูปก็เข้าใจว่าตากระทบรูปรูปคืออย่างนี้แต่ก็ยังไปเข้าใจถึงสภาพจิตใจของเราเลยถึงวิญญาณเลยว่า และตาเราก็ทบ e รูปนี่มีกิเลสหรือเปล่าย้อมสีแดงสีเขียวอย่างใรหรือเปล่านีเป็นต้นนิปรัสนาเสร็จแล้วเราก็ไปถอดเป็นมโนมยุทธิถอดกิเลสออกเอ่ย้อมสีแดงสีเขียวเราก็ถอดออกจากจิตถอดออกจากจิตเป็นมโนมยิทธิได้ก็ได้มันไม่ได้ก็หาวิธีนานาวิธีเป็นอิทธิวิธีหาวิธีต่างๆทํานานาสารพัดก็ได้ขึ้นมาอีกสามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้จริง อิทธิวิธีมีจริงทําจึงสามารถเป็นไปได้ยิ่งอิทธิวิธีตลอดจอกนกระทั่งถึงตลอดพรมโลกไปได้โดยอํานาจทางกายไปตลอดพรมโลกยิ่งเก่งใหญ่อธิบายไปแล้วนั่นไม่ทวนทีนี้ก็ปฏิบัติมีกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถเนี่ยกระทบปับ๊บคนนี้ปับ๊บอ่านเสียงสองของเราออกที่จริงอัตมาอธิบายเสียงสองแต่เพียงที่ฟังของคนอื่นเสียงมนุษย์พูด เสียงเราเองพูดเราก็ฟังเสียงของเราออกอย่าว่าแต่เสียงเลยแม้แต่กำหนดรูปกำหนดกลิ่นกำหนดสัมผัสก็เหมือนกันไปนโสดทิพทั้งนั้นสามารถรู้ว่ามันมีกิเลสหรือไม่ของเรานอกจากเราพูดไปนี่เราพูดไปนี่จริงๆใจแนละ้วเราพูดไปนี่เราด่าเขานี่ด่าไปปากมนุษย์ด่าไปเงี้ยใจเราโกรธหรือเปล่าใจเราประกอบไปด้วยเมตตาหรือใจเราประกอบไปด้วยอมริ ใจเรต้องการแก้แค้นโดโทสะใจเราพูดไปในมีมานะใจเรานี่พูดไปมีกิเลสราคะพูดไปก็ราคะยอมไปทีเดียวอะไรต่างๆนานานี่มันมีหรือเปล่าเมื่อเรารู้จิตของเราเน่นแหละเราสามารถฟังเสียงสองออกทีนี้เสียงสองที่ว่านี่แหละก็คือหมายถึงกิเลสหมายถึงความเป็นกิเลสหรือเป็นเสียงบริสุทธิ์หรือเป็นสิ่งบริสุทธิ์ง่ายๆ ย, ย่นหย่อลงแล้ว เป็นสิ่งที่ประกอบออกไปแล้วเป็นกิเลสหรือเป็นสิ่งบริสุทธินะ์ทีนี้มันก็ต่อมาหาเจโตปริยานเราเองเรามีจิตธรรมดาก็อย่างนี้เสร็จแล้วพอเราได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเราก็สังวรระวังสํารวมจนกระทั่งเราปฏิบัติอีกเราก็รู้เลยว่าโอ้ตอนนี้จิตของเรานี่เห็นจิตของเราแล้วเกิดญาณเห็นจิตเห็นจิตของเราว่าโอ้จิตของเรานี่จับได้แล้ว เราพูดออกไปนี่เป็นจิตเหมือนนี่เป็นตะโพนนี่เป็นเปิงมังนี่เป็นบันดะโอนี่เป็นราคะโคดนี่เป็นโทสะนี่เป็นโมหะโอ้นี่เป็นไม่ไม่ใช่ราคะก็รู้ว่าไม่ใช่ราคะเออนี่ไม่ใช่โทสะก็รู้ไม่ใช่โทสะอันนี้ราคะก็รู้ว่าเอออันนี้ราคะอย่างนี้เป็นต้น ทักเข้าใจว่าเอ็นี่เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นราคะลักษณะอย่างนี้เป็นโทสะลักษณะอย่างนี้เป็นโมหะลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ราคะลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่โทสะลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่โมหะจะเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับรู้เสียงเปิงมังจะกําหนดรู้โดยวิธีพูดโดยวิธีกายกรรมโดยวิธีอะไรก็ตามใจอยู่ในอิริยบทนั้นนี่มีกระทบสมัมผัสเป็นปัจจัยอย่างไรก็ตามคุณก็สามารถอ่านใจในใจ อ่านใจด้วยใจอ่านใจด้วยใจอ่านกิเลสในใจนี่เรียกว่ารู้จิตจิตของเรามันก็เป็นจิตแต่จิตของเรามันไม่บริสุทธิ์เพราะจิตของเรามีกิเลสมาร่วมมาเป็นตัวร่วมมีฤทธิ์มีแรงอยู่ในตัวกรรมของเรากรรมของเราพูดออกมาก็ดีกายกรรมของเราออกมาก็ดีมันมีกิเลสร่วมออกมาเราก็รู้ว่าเออนีมันมีกิเลสนั้นนี่ราคะก็รู้ว่าราคะโทสะก็รู้ว่าโทสะโมหะก็รู้ว่าโมหะ ไม่ใช่ราคะก็รู้ว่าไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะก็รู้ว่าไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะก็รู้ว่าไม่ใช่โ ม, มหะนี่เป็นหลักหกข้อง่ายๆเบื้องต้นก่อนต่อมาเมื่อเราได้ปฏิบัติขึ้นไปเราก็รู้ว่าสามารถที่จะกระทำให้ลดลงได้นะลดลงไป น, นี่อาตมาอธิบายความหมายเลยนะเอาเ ด, เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อาตมาพูดถึงสัตวานัง ปรสัสตานังกับปุคลานังยังไม่เคลียร์ยังไม่ละเอียดพอคือหมายความว่าเราสามารถรู้จิตอย่างนี้เนี่ยจิตนี้เป็นจิตสัตว์จิตนี้เป็นจิตบุคคลเพราะฉะนั้นอันนี้เออแต่ก่อนนี้จิตเราเป็นจิตสัตว์นะจิตเดรัจฉานยังไม่ถึงบุคคลบุคคลนี่มันเป็นเหนือกว่าสัตว์นะจิตบุคคลนี่เหนือกว่าสัตว์อ่า อย่างบุคคลนี่ที่จริงเป็นคํากลางๆแต่ว่าเรารู้ว่าบุคคลนี่เป็นบุคคลมีหลายชั้นเพราะฉะนั้นจิตนี่เป็นจิตสัตว์ถ้าเราเอาตื้นๆก็ว่าหนึ่งสัตว์หนึ่งบุคเอกหนึ่งบุคคลถ้าสัตว์กับบุคคลเราควรเป็นจิตสัตว์แล้วเราควรเป็นจิตบุคคลอ่าเราก็ต้องคว้าเอาจิตบุคคนแน่เราไม่เอาจิตสัตว์นี่พื้นพื้นฐานง่ายๆต่อมาเรารู้ว่าสัตว์นี้ก็ยังแบ่ง แม้จะเรียกยืนยันคำว่าสัตว์อย่างเก่าอันี้เป็นสัตว์อบายนี่เป็นสัตว์เทวดานี่เป็นสัตว์พรหมนี่เป็นเทวดานี่เป็นพรหมสัตว์ก็เป็นสัตว์โลกอีกเหมือนกันแต่สัตว์โลกอันนี้เราไม่ได้เรียกแบบว่าไอ้นี่เป็นงัวเป็นควายเป็นช้างเป็นหมาเราไม่ได้มาเรียกอันนี้เราไม่ได้มาหมายเอาอันนี้เพราะหมายเอาอันนี้ไม่ต้องไปเรียนธรรมะหรอใครมันก็เรียนเด็กๆมันก็เรียนมาแล้วนะนี่ช้างนี่หมาหนี่ลิงนี่เสืออะไรมันก็เรียนอยู่แล้ว แต่นี้สัตว์ที่ว่านี thereby, ่คืออบายสัตว์สัตว์อบายหรือว่าสัตว์เทวดาหรือว่าพรหมสัตว์อะไรพวกนี้นี่ก็เป็นสัตว์แต่ว่ามันคนละความหมายคนละลักษณะแล้วเทวดากับสัตว์อบายต่างกันนะหรือมนุษย์ก็ต่างกันหรือหมายไปเอาว่าพรหมสัตว์ก็ยิ่งต่างกันไปอีกอย่างนี้เป็นต้นที่นี้เป็นบุคคลเล่าก็เหมือนกันท่านก็บอกว่าด้วยว่จะเรียกว่าสัตว์จะเรียกว่าบุคคลก็เหมือนกัน อันนี้เป็นบุคคลบุคคลธรรมดาปุถุบุคคลอันนี้เป็นโสดาบันบุคคลนี่เป็นสกทาคามีบุคคลนี่เป็นอนาคามีบุคคลโอ้นี่เป็นอรหัตอรหัตตบุคคลคุณก็รู้ว่าออบุคคลต่างบุคคลอันนี้ตอนนี้อื่นจากอันนี้แล้วนะอันนี้ปุถุบุคคลหรือปุตตุชน ออันนี้อื่นอีกต่างหากแล้วเนี่ยเป็นโสดาบันบุคคลละไม่ใช่อันนี้เราก็รู้เราก็เห็นเลยเข้าใจเลยจิตตอนนี้จิตมันเป็นแล้วนะจิตมันเป็นจิตบุคคลที่เป็นไม่ได้เอาตัวบุคคลนี่ไปเป็นไอ้ตัวตนบุคคลเราเขานี่มันเป็นไม่ได้หรอกมันเป็นได้ที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณจะเป็นปุจฉนปุถจบุคคลอยู่ก็เป็นอย่างนี้เรารู้แล้วอันนี้เออมันต่างหากจากเลยตอนนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไป ชักโทสะก่อรถโมหะก็ลรถอะไรอะไรก็อรถจกกนกระทั่งไอ้สุดท้ายมันมีมุดหรืออับิมุตนู่นแหละโอ้มันวิมุต ห, หรือมันยังไม่วิมุตก็รู้แล้วว่าเราชักจะดีขึ้นกว่าปุถุบุคคลแล้ว น, นี่สอบได้ห้าอร์ซแล้วนะแต่ก่อนนี้เราเป็นสัตว์แท้ๆนะหรือแต่ก่อนนี้เราเป็นแค่เดรัจฉานสัตว์หรืออบายะสัตว์ตอนนี้เราชักเป็นเทวดาแล้วสัตว์เทวดาตอนนี้เราชักเป็นพรหมสัตว์แล้ว อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเอาคำว่าสัตว์มาเรียกก็ได้จะเอาว่าคำว่าบุคคลมาเรียกก็ได้แต่มีแง่ที่แตกต่างกันอื่นต่างจากอันนั้ น, อ, นอันอื่นต่างจากอันนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์อื่นที่ต่างจากสัตว์นั้นความเป็นบุคคลอื่นที่ต่างจากบุคคลนั้นฟังดีๆธรรมมพระพุทธเจ้าค่อนข้างจะคำภีราทุทศาธุรนุพธธุ ร, รนุโธา เป็นเรื่องคำเภียระเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากนะไม่ได้หมายความว่าแม้มันง่ายๆ่ายมาเรียนก็ง่ายๆตื่นตื่นโอ้อยางงี้ก็ง่ายๆถ้าง่ายๆมายต้องใช้พระโพธิญาณไม่ต้องใช้สมาสมาสัมโพธิญาณตัดสรู้หรอกเรียนเรียนอะไรมันก็เรียนยเรียนได้ง่ายๆก็เรียนได้เพราะคนไม่รู้จริงที่อธิบายง่ายๆไปหมดคนรู้จริงแล้วอธิบายง่ายๆก็รู้เขาอธิบายง่ายๆที่เขาเรียนก็นง่ายง่ายอย่างที่เขาอธิบาย รู้สัตว์อื่นรู้ใจสัตว์อื่นพวกคุณไม่เข้าใจหรืออย่างนั้นคุณก็ไปเรียนเอาฝึกเอาทีอย่างนั้นก็หมอายอย่างนั้นแต่ไอ้หมาอย่างนั้นอาตมาว่าไม่ถูกนะแต่เขาไม่ได้อธิบายอย่างนีน้แต่อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นอาตามาก็เข้าใจถ้าคุณจะไปอย่างรู้จักจากอย่างรู้จิตบุคคลอื่นสัตว์ อ, VO, อื่นคุณก็ไปนั่งดูด้โอ้โหไอ้หมาตัวนี้มันกําลังคิดจะกินเราไอ้ไก่ตัวนี้มันกําลังแช่งเราคุณก็ไปรู้ใจสัตว์อื่นสัตว์ได้รอยฉานนะตอนนี้ ไอ้จิงจกตัวนี้มันกําลังด่าเราไว้คุณก็ไปนั่งอย่างรู้ใจจิงจกไปนั่งรู้จังจะไปอย่างรู้ใจไก่เป็ดหมูหมาอะไรไปไปเัตว์อื่นรู้ใจสัตว์อื่นพอบอกว่าบุคคลก็เฮ อ, อเราไปรู้คนคนนี้กําลังแช่งเราไว้เอ๊ะคนคนนี้กําลังชมเราไว้คนคนนี้กําลังคิดอะไรในใจกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ไว้สัตว์อื่นก็ไปเอาอย่างนั้นบุคคลอื่นก็ไปเอาอย่างที่ว่านี้ทำํำไมอาตมาไม่เข้าใจ ใครก็เข้าใจอย่างนี้มันจะไม่ยากไปเย็นอะไรไม่ต้องใช้สัมมาสัมโพธิญาณหรอกไปอย่างนี้แล้วนี่เป็นตั้งอภิญญามันตื้นแค่นี้หรืออภิญญาฟังดีๆอภิญญามันตื้นแค่นั้นเหรอถ้าแค่นั้นนะไม่ต้องไปใช้โพธิญาณก็เขาว่ากันมาแล้วอตั้งแต่สมัยโบราณเขาก็ว่ากันมาแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะแล้วเขาก็ทํากันมาแล้ว ได้เขาก็ได้ไปแล้วไปได้อย่างนั้นนะไม่ได้ตัดกิเลสอาตมาขอย้ําอีกไปเทเรนังรู้ใจคนโน้นคนนี้คนนี้ไม่ได้ตัดกิเลสหรอกจะบอกให้ถ้าเผื่อว่าอาตมาเป็นหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งน่าไปเรียนวิชาเจโตปริยยานได้แหมพอเรามีเจโตปรยญานอีสาวต่างๆนี่ที่คบหาสมาคมหรือบางทีแรกพบก็ได้ปั๊บ แหมจิตอีสาวนี่รักเราแล้วเสร็จเราหมดเลยทีนี้ไม่ต้องถามเธอเราแฉันรู้ใจเธอแล้วอ่ะเสร็จเราหมดเลยกิ <_ letter> เลสหรือว่าไม่มกิเลสอย่างเงี้ย <_ letter> พาตัดสรู้ไหมพาตัดสรู้ไหมก็าบาเท่านั้นเองไอ้หนุ่มรูปลอคนนั้นน่ะเมื่อกี้สมมุติว่าอาตมาอตมาอตมาก็บาเท่านั้นเองถ้าอาตมาเป็นไอ้หนุ่มรูปลออย่างที่ว่านี่ก็ไปเรียนวิชาเจโตปริญญาอย่างงี้มาเขาให้ เนี่ยพอเรียนมาแล้วก็หวานเลยไปณที่ใดเราเป็นหนุ่มรูปหล่อด้วยอีสาวที่คบหากันสมัยเก่าสมัยใหม่ก็ตามอลองจีบดูนิดๆหน่อยก็รู้แล้วอย่างรู้จิตแล้วก็เสร็จเราหมดเท่านั้นเองเพราะอย่างรู้ใจเขาแล้วเนี่ยมันจะยากอะไรล่ะก็รว บ, บหัวโลบผ้าไปหมดเลยและถามว่ากรรมกิริย่างนี้วิชาอย่างนี้มันช่วยพาให้มันบรรลุเหรอ มีแต่จะ ย, ยุ่งยากมากมายเสื่อมทรามกันลงไปเท่านั้นเองจะมีท่าอะไรใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเ <Yes. S 1> พรามวิชาอย่างนี้ไม่มีมีอะไรหรอกแม้แต่จะยัง่งรู้คนอื่นด้วยวิธีธรรมดาที่เขาพูดกันโอ้อาจารย์องนี้ยัง่งรู้ใจคนอาจารย์องนั้นก็ได้ดังโอ้คนอื่นศรัทธาเลื่อมใสยกย่องโอ้ยนับถือเลยยนับถือเลยดังอะไ ร, ะไรต่างๆนานา เซตแล้วส่วนมากคนเหล่านี้ไม่ได้สอนธรรมะเท่าไรหรอกเพราะว่าไม่รู้ถูกตั้งแต่แรกแล้วมันไม่รู้ถูกแล้วมันจะมีธรรมะอะไรมาสอนกันกนักันหนานาทีลือลันกันอยูน่นี่โอ้โหอาจารย์องนี้อย่างรู้จิตใจเลยแล้วสอนธรรมะอะไรกันนะกันนะถ้าสามารถอย่างรู้อย่างนั้นจริงๆด้วยแล้วก็สอนธรรมะดีจริงๆด้วยนะมันจะได้ประโยชน์จริงมันจะได้ประโยชน์จริง อย่งอตาตมานี่ก็ไม่ได้ไปเก่งอย่างที่ว่า น, ไไนั่นหรอกแฝงว่า น, นั่งนี่อย่างรู้เลยเนี่ยจิตคนนี้คนนี้กาลังเป็นยังไงคนนี้คนนี้กําลังเป็นยังไงเนี่ยถ้าอตาตมาอย่างรู้จริงๆอตาตมาก็จะสอนพวกคุณได้ดีจริงๆเลยใช่ไหมแต่อตาตมาไม่ได้ถึงขนาดอย่างนั้นนะมันก็ได้แต่ครบคุ้นี่ดูกิริยาดูองค์ประกอบดูนั่นดูนี่ก็พอรู้มั้งเอออย่างนี้มีเสียงสองนิดหน่อยทนั้นเองนะว่าไ อ, อคนนี้นี่แสดงท่าทางหน้าตากิริยาบ้างแสดงภาษาพูดบ้างแสดงอันนั้นี้ออกมาบ้าง เอออันนี้ก็พอกลมแกลมมันก็เสียงไรๆมันเสียงกลองในเดินทางไกลเนี่ยเหมือนอย่างกระเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างก็อย่างงั้นนะก็มันก็ได้ยินเหมืนเสียงกลองอะไร่เสียงตะโพนไร่ไร่มันจะไม่รู้อะไรชัดๆมืันก็มันอยู่ข้างหูมันก็รู้เสียว่าในเสียงตะโพนอันนี้มันเสียงดังอยู่ข้างหูมันก็รู้เสียว่าเสียงกลองนี่มันได้ยินเสียงไกลๆเหมือนอย่างงั้นน่ย มันก็พอรู้ไรๆเท่านั้นเองมันไม่ได้รู้ยิ่งรู้ใหญ่และอาตมาก็ไม่ได้เก่งกาจมากเกินไปด้วยเพราะพุทธเจ้ารู้ก็รู้ไรๆอ่อาตมารู้ก็แหมไรๆไกลกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เพราะไม่เก่งเท่าท่านก็เท่านั้นเองแต่ถ้าพอดูยิ่งเลยมันก็สอนง่ายมันรู้ปัป๊ปๆๆๆเลยมันจะไปยากอะไรเอ๊คนนี้ใจเป็นยังไงอะไรัน จับมันนี่หมดซ้ำลอกเลยอืมคนนี้คนนี้อ้าจับมันซ้ำลอกโอ้ป่านนี้อาตมาได้อรหันเป็นโลลัวแล้วจริงจริงตรวจดูว่าจะสอนอะไรใครแม่คุณไม่มาตรวจอาตมามังมาดูอาตมามัง่งอาตมาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเอาละพระพุทธเจ้าตรวจว่าจะสอนใครท่านก็ไปตรวจดูว่าเออท่านก็รู้ว่า คนไหนคนไหนเป็นยังไงยังไงท่านสามารถรู้คนนั้นคนนี้ก็ระลึกได้ตอนแต่ทํางานน่ะโรงเรียนของท่านไม่ได้อยู่ที่วัดวัดทานน้อยแต่ก่อนนี้คนมาวัดมันก็ยังไม่มีไม่นิยมกันมากเท่าไหร่ท่านก็ต้องออกตลอนตลอดไปสอนเพราะฉะนั้นท่านก็ตรวจ ด, ดูเออว่าตอนนี้ควรไปสอนใครอย่างเช่นแต่ตอนแรกท่านก็ระลึกถึงฤษีอารันดาบทพอตอนมาท่านก็ไประลึกถึงปัญจวัคคียท่านก็เดินไปสอ น, คน น, ะะ น, นคนนั้นเพราะฉั้นคนนั้นคนนี้อีกเหมือนกันท่านก็ระลึกเออวันนี้เราจะไปสอนใครไม่ใช่บุญระลึกทุกวันหรอก ก็ระลึกวันไหนมันอยู่ที่วัดก็สอนกันไปในวัดอาตมาไม่ได้รึกไปสอนโน่นสอนนี่อะไรมากมายอาตมาสอนในวัดมากกว่าอาตมาก็ไม่ได้รึกนอกวัดแต่ก็ระลึกเราจะสอนอะไรเราจะสอนยังไงหรือแม้แต่ในพวกเราเนี่ยเออวันนี้คนนี้คนนี้อยู่คนนี้คนนี้ควรจะสอนวันนี้ให้ให้ให้คนนี้หนักหนักหน่อยคนนี้รู้สึกว่าอาการจะแย่แล้วก็ระลึกอย่างเงี้ยควรจะสอนใครดีไม่ใช่ไปนั่งอย่างรู้จิตว่าโอ้จิตคนนี้ เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้กําลังจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสอนไม่ใช่คนนี้คนนั้นเป็นยังไงก็รู้ๆกันเลยล่ะแล้วเราก็ะระลึกว่าควรจะไปสอนเขาหรือไม่อย่างนั้นตั้งหากเราเนี่ยมันเข้าใจเผลอเพียนอยู่เงี้ยมันก็ไม่เคยตรงนอ่ะทีนี้มาเข้าเจโตปริยานวังใจโตปริยานที่ว่านี่ยังรู้จิตของตนเองไม่ใช่ไปหยิดึดยังรู้จิตของคนอื่น คำว่าอื่นนี่คือจิตของตนเองที่อื่นจากอันนั้นแต่ก่อนนี้จิตของคุณเนี่ยม้ยังถูกอาพอกไปด้วยอบายามุขพอมาปฏิบัติแล้วก็ยังรู้ว่าโอ้นี่ราคะเป็นอย่างนี้พอลดลงไปอ้อราคะไม่มีราคะเป็นอย่างนี้แม้ไม่มีราคะอย่างน้อยอย่างบางก่อนชักจะพอได้พอสมควร ลดได้พอสมควรโอ้ชักเขาา่าทาแฮลดได้พอสมควรแต่มันก็ยังไม่ดียังไม่ปโปรง่งยังไม่สูงเรียกว่าจิตสังคิตะนะราคะท่านก็บอกราคะในนี้นะบอกว่าพระพบาลีบอกราคะก็เป็นราคะอราคะก็เป็นอราคะคือจิตที่ไม่ใช่ราคะก็เป็นจิตที่ไม่ใช่ราคะจิตที่ไม่โ ท, LE LE ท, ท, ทสะก็เรียกว่าโทสะไม่ใช่โทสะก็อะโทสะโมหะก็เรียกโมหะจิตที่ปราศจากโมหะก็เรียกว่าออะโมหะ พระบาลีบ้าั้นต่อมาก็จิตหดหูจิตหดหูก็รู้จิตหดหูในพระบาลีก็บอกว่าสังคิตตังตังจิตตังสังคิตตังจิตตังพระบาลีว่างั้นคือจิตที่หดหูท่านแปลว่างั้นเดี๋ยวอาตมาจะขยายให้ฟังท่านแปลพระบาลีได้เท่านั้นอีกอันหนึ่งก็วิกิตตังจิตตังจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านท่านว่างงั้นอันนี้เป็นคู่หนึ่งนะ อาจิตหดหูด้วยจิตฟุ้งซ่านที่เขาแปลกันง่ายๆตื่นๆนี้หมายความว่าอย่างนี้คือจิตของเราได้รู้แล้วว่าจิตของเรานี่มันไม่ดีมันมีกิเลสพอเราปฏิบัติพับกิเลสมันก็ลดลงลดลงเนี่ยมาได้ขนาดหนึ่งเราก็รู้ว่าเอ๊มันลดลงมันยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกมันก็ยังแค่นั้นะมันก็ลดในบางแต่มันก็ยังทุกยังหดหูเศร้ามองมันยังไปทุกข์นเองสายทุก และมันก็ยังไม่ดีไม่เด่นไม่แน่ไม่นอนมันยังไม่เป็นหมวดเป็นหมูมันยังเป็นลักษณะที่มันเป็นเอกคตาอะไรเพราะยานจิตที่มันหดหูนี่แหละท่านเรียกว่าสังกิตตังท่านแปลว่าหดหูคือจิตมันยังไม่น่าดีใจปลื้มใจอะไรหรอกเรียกว่าสังกิตตังจิตตังท่านก็แปลเอาความว่าจิตหดหูคือแปลเป็นตัวตัวน่ะและมันก็ไม่สัมพันธ์กันที่อาตมากาลังอธิบายนี่สัมพันธ์กันนะ สัมพัจิตที่เราเป็นราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ตามแล้วเราปฏิบัติเข้าแล้วมันก็ชักได้บบ้างแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เรียกว่าจิตจะสังคิตตังจิตตังแล้วก็อธิบายลักษณะของจิตนี้อีกว่านอกจากไม่ดีเท่าไหร่แล้วมันยังมันยังรู้มันไม่ชัดมันยังกระเซ็นมันยังฟุ้งมันยังกระเซ็นกระซ่านกระฟุ้งอยู่เขาก็เรียกว่าจิตวิกิตตังจิตตัง แต่ในนี้แต่แปลเป็นคำตายเลยแปลว่าจิตหดหูพิกิตังจิตตังก็แปลว่าจิตฟุ้งซ่านซึ่งมันก็ไปตรงกับอุทธจักมั่งหดหูก็ไปตรงกับจิตอะไรอีกเยอะแยะภาษาบาลีที่นั่นมิทาก็ได้จิตหดหูจิตหมุนมองจิตหลบเล่นจิตเจ็ดลีนัดตังจิตเจตสลีนัดตังก็ได้อะไรต่างๆไม่จิตหดหูเป็นจิตอะไรจะใดไป เยะไปกรงกับจิตอื่นโดยไปเอาภาษาไทยคํานี้มาแปลแท้จริงแล้วลักษณะที่มันเป็นอาตมาบอกแล้วมันเป็นอย่างเนี้ปฏิบัติแล้วจิตมันก็ยังมันยังไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรอกมันเพิ่งได้บ้างแต่มันยังไม่ได้ดีเรียกว่าสังกิตตังจิตตังก็เรียกว่าวิกิตตังกิตตังวันไหนนี้ถ้ากับแปลตรงตัวแต่ตายตัวจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านเท่านั้นเพราะเราจะรู้ขนาดจิตของเรา แต่มันก็เป็นอื่นแล้วนะเป็นอื่นแล้วแต่ก่อนนี้จิตของเรานีนแหมมันโทสะเท่านี้หรือโลโลภหรือราคะเท่านี้อยู่เต็มก้อนพอเราปฏิบัติแล้วมันก็มันก็ได้แล้วรู้ว่ามันได้บางแต่มันก็ยังไม่เท่าไหลเลยมันก็ยังเป็นสังกิตตามจิตตั ง, ตงยังเป็นจิตที่ยังก็อย่างงั้นนะก็ยังมันก็ไม่น่าปิติยินดีอะไรไม่ไม่ได้น่าปิต ดื่นเรงมันเทิงอะไรนักหนาวมันยังมันไม่ได้ดีสมใจอะไรหรอกนะมันยังไม่ดีสมใจเลยมันยังไม่น่าชื่นใจและอีลักษณะหนึ่งก็มันก็ยังจับไม่มันยังจับไม่แมนวันมันได้ก็เอ๊ะมันได้ยังไงแค่ไหนมากมายแค่ไหนมันยังไม่ชัดมันยังไม่รวมมันยังไม่แมนมันยังไม่เป็นเอกคตาที่ได้รู้มันยังไม่เกิดญาณที่ รู้ยิ่งอะไรไมันเป็นแต่เพียงญานพอรู้พอรู้นิดๆหน่อยๆยัง ก, กระเด็นกระเซ็นกระซ้ายยังไม่เคยกระจกระจ่างอะไรเรียกว่าเรายังเพิ่ได้เพิ่งได้นิดหน่อยเอาต่อไปที่นี้จิตของเราได้ดีขึ้นกว่านิดหน่อยก็ทําให้มันสูงขึ้นมหาราคตะมหาราคตานี่ที่ในนี้ท่าก็ทับศัพท์ว่าจิตเป็นมหาราคตะท่านก็รู้ว่าจิตเป็นมหาราคตะมหาราคตะนี่มันเป็นภาษาสันสกฤตที่จริงเนอะ ในพระบาลีนั้นทาเรียกมหคตะเลยแต่ทีนี้มาแปลเป็นไทยกลับไปแปลเป็นภาษาสันสกฤตท่นนี้ทับศัพท์สันสกฤตแต่ในพระบาลีนี่มหคตะเลยในพระบาลีมหคตะนะมีมอหอและก็คอคอหันคอหันคือคอสองตัวมหคตะและก็ต่อเต่ามหคตะในหนังสือพระบาลีมหคตะเลย เสร็จแล้วมาแปลเป็นไทยก็ไม่แปลไปทับศัพท์สันสกฤตมหารคตะก็เลยพอกันไอคนไม่รู้มันก็ไม่รู้จะว่ามหักระหรือมหารกตะมันก็มืดๆอยู่เท่ากันเพราะอันหนึ่งเป็นบาลีอันนึงเป็นสันสกฤตก็เท่านั้นเองมันไม่ได้แปลเป็นไทยอะไรขึ้นมาเลยใช่ไมมหักระตาหรือมหารกตะมหคะก็แปลว่ามันเป็นมหาบวกอักคะอักคะอันแปลว่ายิ่งใหญ่มหาก็แปลว่าใหญ่ มหคตะก็เป็นสภาพจิตที่ไปเป็นสภาพที่มันใหญ่มันยิ่งขึ้นมันดีขึ้นมันสูงขึ้นมากขึ้นมันดีมากขึ้นแล้วเป็นไปอ่ะมันเป็นไปด้วยอย่างมากขึ้นดีขึ้นแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นมันเท่าเก่าสังคิตตอยู่เท่าเก่าวิกิตตาอยู่เท่าเก่าก็รู้ว่ามันไม่มหมัอมหคตะมันอัมมหารคตะนัตนในนี้แปลทับศัพท์อมหารคตะ มันก็ไม่ดีขึ้นไม่สูงขึ้นไม่ยิ่งขึ้นไม่มากขึ้นมันได้เท่าเกา่าได้เท่าเกา่าเข้าใจไหมก็ Кор. รู้ชัดมันตรวจจิตนั่นเองเจโตปริยานก็คือรู้จิตให้รอบทวนนะรู้จิตให้ละเอียดละออนนะอาการยังไงลักษณะยังไงรู้นะรู้ให้ดีนะภาษามันก็อธิบายไปเรื่อย เ, อยเป็นขั้นตอนขั้นตอนนี่เป็นขั้นตอนของจิตนะสิบหกอย่างนี่เป็นขั้นตอนของจิตนะไม่ใช่อื่นนะ เป็นสภาพที่เราตรวจตราจิตเราแหวนในตอนนี้จิตของเราชัดพอได้น้อยหนึง่งเอ๊ยยังไม่ดีเอาให้สูงขึ้นอีกเป็นมหาคตะเอาให้ไปให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นอีกเอาให้ยิ่งให้ใหญ่กว่านี้อีกมหาคตะให้ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็เป็นอะมหาคตะถ้ามันได้มันก็เป็นมหาคาตาเอาเอาให้ได้เอามหาคตะพอเป็นมหาคตะขึ้นไปแล้วดีไปดีไปดีไป ด, ไปดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น แต่เราก็ยังรู้ในปัญญาศึกษาไปมีอธิปัญญามีอธิจิตมีความรู้มีอธิอะไรต่างๆนา น, นาโดยเฉพาะมีอธิปัญญาก็รู้ตัวเราปฏิบัติไปนี่เอ๊จิตนี้มันยังมีจิตอื่นดียิ่งกว่านะเราทําไปแล้วจิตเรามันก็ยังไม่ดียังมีมันดีกว่านี้ได้อีกนานี่ยังไม่ดีสูงสุดหรอกเราจะบอกตัวเราเองแล้วจิตของเราได้เท่านี้มันยังมันยังไม่ดีหรอกแต่เรารู้นะว่าจิตที่ดีกว่านี้ลักษณะดีกว่านี้มี นี่ยังไม่ดีที่สุดหรอกจึงเรียกว่าจิตดีก่อนนี้นะจิตที่ยิ่งอื่นนะจิตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านี่เป็นลักษณะอีกอันหนึ่งเอาจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าในพระบาลีท่าเรียกว่าสอุตระจิตสุตระจิตตัง สอุตรจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือจิตมันได้เท่านี้ก็มาดีแล้วล่ะดีขึ้นมาก็สังกิตตังตั้งแยะแล้วดีขึ้นมาก็สังกิตตังสังกิตตังนะพอทำขึ้นมามันยังไม่เห็นดีเลยมันยังไม่ดีแต่เรารู้ว่าเราได้นะปฏิบัติได้แต่ยังไม่ดีหรอกจิตหลังแหมมันยังไม่น่าปลื้มใจไม่น่าดีใจเลยมันไม่น่าพอใจเลยมันยังเหี่ยวเหี่ยวใจอยู่เหมือนกันแต่คนได้รู้ว่ามันได้นะ มีไหมจิตอย่างนี้มีไหมเกิดไหมเออเช็คเช็คสภาวะจริงว่าไหมมีไหมมีพวเราปฏิบัติแล้วเราจะเกิดโอ้โหนี่ถามไปแล้วล้วนแล้วจะมีความสามารถในทางเจโตปริญาณทั้งนั้นเลยไม่ย่อยนะนี่ไม่ย่อยนะนี่มีอภิญยาทั้งนั้นนะพอถามแล้วก็บอกว่ามีก็ก็แสดงว่านั่นเกิดเจโตปริญาัเพราะรู้รู้จิต ข, ของตัวเองมัน สังกิตตังจิตตังแหมจิตนี่มันยังไม่ดีเลยยังไม่น่าปลื้มใจเลยแต่ตอนนี้มันชักทำให้ดีขึ้นแล้วเป็นมหาคตะขึ้นไปเป็นมหาขตะขึ้นไปพอดีมกากขตะขึ้นไปจนแหมได้มากขึ้นแล้วล่ะแต่แต่มันก็ยังเป็นสัตว์ตะจิตตังยังเป็นจิตที่แหมมันดีกว่านี้มันมีอีกนะมันยังไม่ดีจนไ ม, ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอนุตรังจิตตัง จิตที่มีไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่ามันยังไม่ถึงนะ่ะมันยังอมันยังดีกว่านี้ได้อีกนะโดยเรารู้ ร, รู้อยู่ในใจเนี่ยมีไหมอย่างนี้มีไหมมีไหมอ่ามันรู้นะเรารู้ว่ามีเนี่ยเราทําศีลข้อนี้หรือลักษณะธรรมะก็กรรมฐานอันนี้เราทําได้พอบังแล้วแต่จิตของเรา ม, มันอย่างเงี้ย แมมันยังไม่ดีถึงที่แต่มันดีขึ้นมากว่าสังกิตตังจิตตังดีขึ้นมากเราทําพยายามภาคเพียรดีขึ้นมาแล้วนะแมมันยังไม่ถึงดีกว่านี้ไม่มีอีกจิตนี้ให้มันได้จิตหมพอใจจบเลยว่าโอ้โหนี่จิตถึงเจ๋งเลยดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมันยังไม่ได้เราก็รู้วาระนี้วาระจิตของเราว่าอ๋อมันได้แค่สังสัจุตตรจิตตังจิตนี้จิตอื่น ด, ดีกว่านี้ยังมีอีกแต่เสร็จแล้วเราก็ทำเข้าไปอีกทำเข้า จนดีเลยทีนี้โอ้โหจิตตัวนี้เจ๋งเลยอนุตรังจิตตังจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ อ, อจเอจ้าเลยว่างโปร่งสบายเบาสงบเจ้าเลยไม่มีอื่นดีกว่านี้อีกแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตตอนนี้องค์ประกอบอันนี้โอ้โหเจ้าเลยจิตอันนี้จิตอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกไม่มีจิตอื่นที่ดียิ่งกว่ามีบ้างอย่า ง, ย, งยังเลยเหรอ อนุรังจิตตังอนุตตรจิตตังยังไม่มีเลยเหรอโอ้โหมีนะอะไรนะมีดีเยี่มแล้วไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนะจิตอย่างนี้เราไม่มีจริงๆแต่บางแว็บบางวาบมันแหมมันขนาดมันจะดุเอากระเราเลยนะจิตมันดุมันทำให้เราโกรธแล้วนะไม่อยากฆ่ามันงี้สแสดงว่าจิตตัวนี้สัอุตตรจิตตังใช่ แม้มันยังไม่อยู่ได้ น, นันเอเรานึกว่าเราเจ๋งแล้วนะนึกว่าอนุตตรังจิตตังแล้วนะน่อยยังมีอย่างนี้อีกเราก็จะรู้ว่าจิตเรายังผีเข้าผีออกยังมีผีหลอกอยู่จริงใช่ไหมแต่ถ้าเบอกว่ามันจิต ด, ดีจริงตอนนี้ไม่มันไม่เปไม่ไปายแล้วแม้จิตตัวนี้ดีเราเกิดจิตก็เราส ง, งบส ง, งบส ง, งบแม่แทบจะเรียกว่าจิตวิมุตต์แล้วนะใช่ไหมไอ้จิตตัวนี้ถ้าจะเรียกว่าวิมุตต์ เปล่านะแง่เชิงของจิตของพระพุทธเจ้าที่จะเรียกว่าวิมุตไม่ใช่มีเงื่อนไขเท่านี้ยังมีเงื่อนไขต่อไปอีกเห็นไหมเนี่ยต้องตรวจจริงๆนะจิตพระพุทธเจ้า อ, อนุตตรังจิตตังมันน่าจะจบได้แล้วนี่ใช่ไหมยังไม่จบแฮทธ่านยังมีเงื่อนไขอีกต่อไปอะไรล่ะในนี้เขาแปลว่างี้เขาบอกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิเอาคำว่าไ ม, ม, ม่เป็นก็เอาไว้ก่อนเอาจิตที่เป็นสมาธิก่อนในสมาธิตัวนี้ถ้าเผื่อว่าคุณดูแต่ในภาษาไทยนี่คุณก็จะไม่รู้เลยว่าสมาธิอะไรใช้คําว่าสมาธิตรงๆหรือเปล่าใช้คําว่าสมาธิ อ, อย่างไรเพราะคําว่าสมาธิที่มาแปลเป็นภาษาไทยนี่มีหลากหลายคําเอามาจากพระบาลีและพระบาลีมีความหมายต่างกันคําว่าสมาธินี่ต่างกันตั้งหลายอย่าง สมาธะก็แปลเขาก็มาแปลทับศัพท์ว่าสมาธิสมาธิตรงตรงนี่เขาก็มาเรียกว่าสมาธิหรือสมาธิสะพเขาก็มาเรียกว่าสมาธิมาแปลเป็นไทยว่าสมาธิสมาธะว่าไปแล้วสมาธะสมาฮิตะเขาก็มาแปลว่าสมาธิแต่สมาธะก็ดีสมาธิก็ดีสมาหิตะก็ดีพระบาลีสามตัวนี้ต่างกัน ต่างกันนะเหมือนกับจิตเหมือนกับวิญญาณเหมือนกับเวทนาเวทนาเป็นจิตหรือเปล่าเป็นจิตหรือเปล่า <S <s วิญญาณเป็นจิตหรือเปล่า <S <s ที่วิญญาณบอกว่าเป็นจิตเวทนาก็จิตอ่าอ่าคนยังดียังมีความรู้ว่าเวทนาก็จิตจิต เป็นอาการของจิตนะแต่ก็จิตไม่เล่าแล้วเป็นจิตไม่เล่าจิตเวทนาก็เป็นตัวธาตรู้หรือเปล่าจิตแปลว่าธาตรู้ใช่ไหมอ่ารู้ว่าสุขวัตุลุกใช่ไหมมันเป็นสุขก็รู้วัตุลุกสุขทุกข์ก็รู้ใช่ไหมมันก็เป็นจิตแต่เป็นไวยะที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวทนานี่ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่วิญญาณวิญญาณก็ไม่ใช่จิตแต่จิตก็วิญญาณวิญญาณก็จิต เวทนาก็จิตฟังให้ดีวิญญาณก็จิตเวทนาก็จิตแต ile, ai, cargo, ió, ่จิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันวิญญาณกับเวทนาไม่เหมือนกันวิญญาณกับจิตก็ไม่เหมือนกันเวทนากับจิตก็ไม่เหมือนกันในนัยะละเอียดไม่เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นสมาธิสมาธะก็ Pocket someday, สมาธิแต่สมาธิไม่เหมือนกันสมาฮิตะก็สมาธิ แต่สมาธิไม่เหมือนกันคนกับผู้หญิงกับเด็กเป็นสิ่งเดียวกันไหมอ่าก็คล <c oughs> ้ายคลายกันเห็นหมมันก็คนแต่ว่าผู้หญิงผู้หญิงก็คนใครว่าผู้หญิงไม่ใช่คนยกไปขึ้นจะได้หุบเลยเนี่ยผู้หญิงเยอะแยะว่าผู้หญิงไม่ใช่คน เด so He ็กอะคนหรือเปล่าอไม่ใช่ว่าโอ้ยหมาตัวเด็กๆเขาได้ยินไหมเด็กเขาไปทักเขาเห็นหมาเล็กเขาหาเห็นหมาน้อยเขาบอกว่าไอหมาตัวเด็กๆเขาว่างั้นเขาใช้เขาาใช้คุณศัพท์ถูกไหมอ่าไม่ถูกหมาตัวเด็กๆเขาใช้คุณศัพท์ไม่ถูกถ้าเขาใช้ว่าหมาตัวเล็กหรือหมาตัวน้อยถูกใช่ไหม แต่ใช้กับว่าเด็กเด็กก็เด็กก็ใช้กับคนเท่านั้นนะใช่เพราะฉะนั้นเด็กก็คนผู้หญิงก็คนแต่มันไม่เหมือนกันนะฉั้นใดก็ฉันนั้นสมาธิเขาแปลได้ตัวเดียวว่าสมาธิแต่ในรายละเอียดเขาไม่ออกในขนาดขั้นอภิญญาแล้วนี่แปลลงไปทับศัพท์มาเป็นดื้อๆองนี่มันก็ยากแท้จริงมันละเอียดอาตมาเปิดบาลีดู จิตเป็นสมาธิตัวนี้พระบาลีท่านว่าสมาหิตังจิตตังไม่ใช่สมาธหังและก็ไม่ใช่คําว่าสมาธิสระไม่ใช่คําว่าสมาธิแต่เป็นคําว่าสมาหิตังสมาหิตะเพราะงั้นเงื่อนไขสมาหิตะเป็นยังไงเอาจิตอนุตรจิตยังไม่พอนะจิตจะสงบจากกิเลสยังไงยังไงยังไงเขาก็ยังไม่พอพระพุทธเจ้าให้พิสูจน์ด้วยว่า แม้จิตคุณหมดกิเลสหรือจิตคุณนี่เจ๋งแล้วนะนี่โอ้โหกิเลสไม่เหลือมันว่างมันโปรง่งมันเบามันสบายก็ตามจิตของคุณมีประโยชน์ัหมสมาหิตะหิตะเอาตัวหิตะนี่เป็นพยัญชนะยืนยันได้สมาหิตะเป็นประโยชน์ไหมหรืออะสมาหิตะหรือไม่ใช่สมาธินี่เขาทับศัพท์คำว่าสมาธิเพราะใช้คาว่าสมาธิไม่ถูกหรอก ถ้าจะทับสับควรจะทับว่าเป็นสมาฮิตะหรือเปล่าหรือไม่เป็นจิตเป็นสมาฮิตะก็รู้ว่าสมาฮิตะจิตไม่เป็นสมาฮิตะก็รู้ว่าไม่เป็นสมาฮิตะควรจะใช้อย่างนี้แล้วก็ไปขยายความกันเอาสิอาจารย์อย่ามาใช้คำว่าสมาธิแต่เพราะผู้รู้เขาไม่รู้อย่างอาตมารู้เขานึกว่าคำว่าสมาธิสมาธหังสมาหิตะอะไรเนี่ยมันเหมือนกันขาว่ามันเหมือนกันหมดมันก็เลย ไม่ละเอียดแล้วเพราะในขนาดนี้มันขั้นละเอียดแล้วนี่ขั้นจะเป็นจิตเหลือจากฐานนี้ไปก็เป็นวิวมุตต์เท่านั้นเองไม่ใช่ระดับสภาวะจิตที่มันตื้นเมื่อไหร่จากสมาหิตานี่ก็ถึงวิมุตต์เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นวิมุตต์หรือไม่วิมุติแค่จิตที่คุณสงบจากกิเลสอนุตตรจิตตังคุณรู้โอ้โหจิตนี้เยี่ยมเหลือเกินจิตนี้พิเศษละจิตนี้สงบระงับดีเหลือเกินไม่มีกิเลสดีเหลือเกินแค่นี้ยังไม่พอ เงื่อนไขต่อไปว่าแลวจิตของคุณนี่เป็นประโยชน์บ้างไหมเป็นสมาธิตั้งมัน่นแม้คุณจะทำงานจิตนี้ก็ตั้งมัน่นจิตนี้ก็แข็งแรงเป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่ามันสงบแล้วก็อยู่เฉยเฉยมันลุสีไม่จิตนี้นี่แม้มีประโยชน์มีการงานสร้างสรรค์คิดก็ตามแค่คิดก็ยังได้คิดก็สงบไม่เป็นมิจฉาเลยอย่าว่าแต่คิดเลยใช้จิตนี้ให้วาจาเกิดใช้จิตนี้ให้กายกรรมเกิด เกดแล้วกระทบสัมผัสต่อข้างนอกอีกด้วยจิตก็ยังตั้งมัน่นยังเป็นประโยชน์ได้นี่ขยายความสมาธิของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตที่ว่านี้เป็นเจโตปริยานคุณก็ต้องรู้ว่าจิตเป็นสมาธิในลักษณะที่พุทธเจ้าท่านยืนยันว่าจะต้องเป็นขั้นสมาฮิตะเชียวนะสมาฮิตังจิตัง จึงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกจากเป็นสมาธิแบบสมาฮิตะได้แล้วจึงต่อมาว่าจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นจิตที่มันถึงขั้นสมาฮิตะด้วยอีกเงื่อนไขหนึ่งจิตก็ว่างด้วยแล้วก็มีประโยชน์คุณค่าด้วยเป็นสมาธิแบบมีประโยชน์คุณค่าด้วยสามารถสร้างสรรได้ด้วยอยู่เหนือจึงเป็นโล ก, กุตรจิต อยู่เหนือสิ่งนี้ได้แล้วปฏินิสักข้ามาอยู่เหนือสิ่งนี้ได้แม้จะกระทบสัมผัสกับสิ่งนี้ได้ก็ขแข็งแรงมั่นคงเป็นสมาธิและมีประโยชน์แก่เขาด้วยซ้ําไม่ก่ออจิตต้องรู้ชัดเจนแจมแจ้งดังที่อธิบายมานี้ว่ารลวรู้และรู้รอบรู้ท้วนรู้ลักษณะต่างๆในยะต่างๆที่อธิบายมาแล้วนี่เกือบจะครบสิบหกแล้วนี่สิละ สมาฮิตังหรือไม่เป็นสมาหิตังไม่เป็นสมาธิแบบหิตังก็รู้ว่ามันไม่เป็นเอ๊ะมันยังไม่ได้นะเรายัางทำเป็นสมาธิขั้นสมาฮิตตังยังไม่ได้นะฝึกไปฝึกไปจนกว่าจะเป็นได้จึงจะเป็นจิตที่ยังถึงต่อจากนี้ต่อจากสมาฮิตังก็เป็นวิมุตเป็นจิตวิมุตวิมุตก็รู้ว่าวิมุตทีนี้ออจิตนี่ถึงขั้น สงบอนุตตรจิตก็รู้ว่าเป็นอนุตตรจิตเป็นสมาหิตังด้วยเออก็รู้ว่าเป็นสมาหิตะเป็นสมาธิอย่างนี้จึงจะบอกได้ว่านี้เป็นวิมุตต์ผิดไปจากนี้เพี้ยนไปจากนี้อีกก็เป็นอวิมุตต์ไม่ใช่วิมุตต์นะไม่ใช่วิมุตต์แม้แค่ไม่มีสมาหิตังไม่ใช่วิมุตต์แม้แค่ไม่เป็นอนุตตรังจิตตังเป็นแค่สัุตรรก็ไม่ใช่นะอยงนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นจิตนี้จะต้องเป็นอนุตตรจิตเป็นสมาหิตจิตจึงเรียกว่าวิมุตตจิตถ้าเพี้ยนไปจากนี้แม้จะแวบวาบสักนิดหนึ่งแม้จะวาบแว บ, บสักนิดนึงเรก็รู้ว่าโอ้จิตนี้อวิมุตตไว้อวิมุติจรมันผีหลอกนิดนึ่งเราตั้งตัวตั้ ง, ง, งหลังด้วยเพลินิดหนึ่งแป๊นิดนึง เราก็รู้ว่าเอานี่อวิมุตจรนะแม้นิดแม้หน่อยแม้ละเอียดละอสุขุมประนีตเราก็สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนอย่างแววไวมีเจโตปริย า, ยานถึงปานชนีกล้วยั้มกล้วยัหยไม่กล้วยเหรอเนี่ยนึกว่ากล้วยนะเนี่ย ของกลุวยๆอัตมาตั้งแต่บัณฑาอัตแต่เรียนรู้มาในโลกมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามยังไม่มาเจอพระแต่าปิฎกเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเลยเขาอธิบายเจโตปริยานอย่างนี้ยังไม่เคยรู้เลยว่าเจโตปริยานมีตั้งแยกแยะพระพุทธเจ้าท่านแยกในแยข้อความหมายไว้ตั้ง16อย่างไม่เคยได้ยินมีแต่เขาอธิบายเจโตปริยานอย่างรู้จิตอื่นอย่างรู้สัตว์อื่นอย่างรู้ใจคนอื่น ก็คือไปนั่งได้ได้ยินว่านี่แหะสามารถยังรู้ใจคนนั้นอยู่ในตําราของโลวิจิตวาทการก็ตามอยู่ในตําราของท่านอริยคณาคุณาคุนาทานปุตโสเสงที่เขียนไว้ในทิพยอํานาจทิพก็ตามอยู่ในหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะพูดถึงอภิญญาพวกนี้เขาก็อธิบายเจโตปริยาณอย่างเงี้ยคือสามารถยังรู้ใจคนอื่นได้อ่านใจคนอื่นได้เท่านี้ เท่านี้เท่านี้น้อ ย, อ, ยอัตมาก็เคยได้ยินมาเท่านี้จนอัตมามาพบพบระไตรปิฎกถึงเห็ น, นความละเอียดละออโอ้โหแล้วมันสอดคล้องกับการตัดกิเลสไหมนี่นี่อธิบายตัดกิเลสใช่ไหมนี่คนมันรู้ไม่ถูกอย่างนี้มันศึกษาถึงเพิดไปอะไรแต่ไ ร, ไรเลอะเทอะไปแล้วมันก็ไม่มาเรียนขอ ง, ของจําเป็นนี่ของจําเป็นต้องศึกษา ของจริงของจริงนะของที่จะต้องศึกษาแล้วคุณไม่ศึกษาคุณจะรู้รายละเอียดได้ยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าจิตของคุณเป็นอริยะคุณจะรู้ว่าจิตของคุณเป็นอรหันเนอรหัตผลแล้วคุณไม่รู้สเปกพวกนี้ใช่ไหมคุณไม่รู้สเปกพวกนี้แล้วคุณจะตรวจตัวเองไนดะ้ยังไงมีเตอร์เก๊ะไม่รู้รายละเอียดนี่ฉันบอกรายละเอียดไ้หมดแล้วไม่ได้ศึกษากันแล้วเอาอะไรไปตรวจไม่รู้ความหมายไม่รู้ข้อสําคัญ ไม่รู้จุดที่จะวิเคราะห์วิจัยจะตรวจจะตราแล้วคุณจะเอาอะไรมารู้ใช่ไหมเพราะยังเกิดยานเกิดรู้จริงเห็นจริงเลยชัดเจนไม่ใช่ใครมาหลอกเราได้แล้วเราก็ไม่หลงด้วยถ้าคุณรู้อย่างนี้จะชัดแล้วคุณก็จับสภาวะได้ชัดอย่างอาตมานี่อธิบายตามสภาวะที่อาตมามีอาตมาไม่ได้อธิบายตรงตามเขาแปลเห็นไหมบางทีไม่ขยายความอะไรอย่างมหักรตะพอแปลเป้ากับมาแปลเป็นสันสกฤตมหารัระตะมาเถอะ นอกจากจะแปลเป็นภาษาให้มันรู้ไม่ได้ไม่แปลเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คนไทยก็มืดหน้าที่มาเรียนทั้งอังกฤษมาเรียนทั้งฝรั่งเศสก็จะรู้เรื่องอะไรก็เท่านั้นเองแทนที่ว่าจะแปลมาแปลลงไปในนี้เอาแปลลงมาให้คนไทยฟังหน่อยว่างั้นนะอันนี้มันเดิมมันเป็นภาษาอังกฤษเอาแปลให้คนไทยฟังหน่อยเอาผ่าเป็นเอาฝรั่งเศสมาใส่ทับซับเข้าไป แล้วคนไทยมันจะรู้เรื่องอะไรไม่แปลเป็นมาออกจากแปลออกจากบาลีแทนที่จะแปลเป็นไทยก็ผ่าไปแปลเป็นสันสกฤตมันก็งงนี่เองนี่เป็นต้นไม่รู้เรื่องเพราะเขาแปลไม่ได้เขาแปลได้จริงจริงก็มีคนก็แปลพยายามแปลแต่เห็นว่ามันไม่อคนนี้ก็แปลไม่ค่อยเหมาะใจคนนี้ก็แปลไม่ค่อยเหมาะใจเขาเลยไม่แปลเลยทับศัพท์เอาไว้เพราะฉะั้นคนที่แปลไปก็มีเขาแปลว่ามันจิตสูงไปทางสูง จิตสูงยิ่งขึ้นเขาก็แปลมีคนแปลเหมือนกันแต่เขาไม่แน่ใจมีคนแปลแปลจำนวนอื่นต่างจากที่อาตมาว่าเมื่อกี้นี้ก็มีแปลไปอื่นไปอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่จิตหดหูจิตฟุง้งซ่านเขาก็แปลไปตามภูมิหรือแม้แต่ที่สุดสมาหิตะก็ทับศัพทสมาธิเลยเพราะเขารู้อย่างนี้แค่นี้เขาจึงไม่เห็นความสําคัญเท่าไหร่นอกจากเขาไม่เห็นความสําคัญแล้วเขาก็ไม่ศึกษา แล้วเขาก็ไม่รู้รายละเอียดจริงอัตมาไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาเองเขาไม่มีภูมิที่จะรู้สิ่งนี้จริงอัตมาพูดอย่างนี้ไม่ได้คมไม่ได้คมแต่บอกเบาเบานะมันเหนือเขาจริงๆคือคืออัตมาว่าอัตมานี่มันเหนือเขาคือมันรู้จริงแล้วที่อัตมาอธิบายมาได้ก็อบอกว่าอัตมาไม่มีอาจารย์อัตมาไม่ได้ไปเอาของใครที่เขาอธิบายไว้บรรยายไว้มาพูดมาบรรยายสู่คุณฟัง อาตมาเอาของที่อาตมารู้อาตมามีออกมาพูดขนาดเรียนป ร, ริญญาเก้าเรียนตามกันมามันยังพูดเองไม่เคอยออกเลยเจ้าประคุณโดยไอ้ขนาดอย่างงี้และถ้าอาตมาไม่ได้เรียนแม้แต่ประเรียนชั้นเดียวนะทำ ต, ตีโทเอกก็ไม่ได้เรียนมันจะเอาอะไรมาพูดเขาจบป ร, ริญญาแปดป ร, ริญญาเก้าเขายังไม่อาจหารที่จะพูดออกไปได้มากมายกว่านี้ใช่ไหมเขาเอาอะไรมาพูดเขาก็พูดเท่าที่เขาพูดออกไปแล้ว อาตมาไม่ไดเรียนเลยแล้วไปดันเผาอะไรมาพูดและพูดอย่างเขาพูดได้ไหมได้พูดอย่างเขาพูดก็พูดได้เอาเขาเรียนอย่างนั้นเขาก็ว่าเขารู้แล้วอาตมาก็รู้แล้วตามที่เขารู้แล้วอย่างที่อาตมารู้นี่มันก็ไม่ได้ห่างเหินมันก็ยังเทียบเทียบเคียงๆกันก็ยังมีเหตุมีผลมีหลักมีฐานมันก็ยังสามารถที่จะเข้าใจในตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่ได้ด้วยไม่ได้หมายความว่า โมเมเอาแพะมาชนแกะจับแกะชนแกะจับแพะชนแกะอะไรเพราะเปล่านี่หรือว่าคุณฟังเป็นว่าอัตมากำลังบัญบรรยายนี่เอออะไรก็มาลุ้จับแพะชนแกะใหญ่แล้วมันโมเมชั่นอย่างนั้นหรือเปล่าเอชมอัตมาเรื่อยเลยจริงใจหรือเปล่าเออก็แสดงว่า คุณฟังได้ว่าอาตมาไม่ได้โมเมอะไรพยายามหาหลักฐานพยายามหาอิงธรรมอิงวินัยอิงสภาวะอิงอ น, อ, นอนันต์นี่ชัดชัดจนแจนอยู่ไม่ได้ไปโมเมอาตมาก็ไม่โมเมอาตมาก็เอาสิ่งจริงที่อาตมารู้อาตมามีอาตมาเป็นเอาออกมาชี้เพราะมันมีมันยังชี้ออกมาได้บางทีนี่เขาบรรยายแปลเอาไว้แล้วลมันไม่เคยกลงสภาวะอาตมาก็ยังมาบรรยายเอาสภาวะที่อาตมามีนี่มายืดยาวมันอย่างงี้นะ่ะย่างงี้นะ่ะ เขาก็ว่าหาวัตถามาพูดเอาเองก็ใช่สิวัตถามาเห็นเองรู้เองมีเองเป็นเองมันเป็นอยู่ที่อัตมานี่แล้ววัตถามาก็ว่าไ อ, าอย้ยางงี้มันเพี้ยนนะนี่แปลแปลงนี่มันเพียนน้ย น, น, นเพียนมันก็พอมีเขานิดนิดหน่อยหน่อยหลายอันนะหลายคําหลายความพวกคุณจะสังเกตได้เขาก็แปลงวัตถามาก็ว่าไม่ว่าอย่างนั้นวัตมาก็เข้าใจกับเขาได้แต่มันไม่ลึกซึง้งแล้วมันยังไม่ถึงความจริงที่ตรง เทนะือกเลอาตมาก็มาแปลขึ้นเพราะว่าแปลตรงขึ้นมาด้วยว่าเขาท่าขึ้นมาพวกคุณฟังพวกคุณก็น่ะอ๋อนั่นะเจ้าของอ๋อนั่งอยู่นั่นแหะแต่ตาปลือหน่อยนะเจ้าของอ๋อไปงานมาไงอะ่ะตาปลือนเป็นหน่อยละอ๋อมันก็อ๋อมันเป็นอย่างงี้หรอกเหรอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจมาก่อนแล้วมันเข้าใจจริงๆเลยนะอ๋อ แล้วมันชัดกว่านะมันเห็นแจ้งกว่าพอฟังอันนี้แล้วเอออย่างนี้เขาทายนะก็ฟังมานานแล้วมันไม่เห็นชัดสักทีพอฟังอันนี้เออมันชัดแท้เขาท่ายเราก็เห็นด้วยเนชัดจะเจอย่างนี้มันเข้าทาเขาทอย่างนี้เออมันได้ได้ความมาอย่างนี้ได้ความมันมันมันเข้าทางอย่างนี้เพราะคุณถึงได้มาเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่โมเมชันพราะคุณไรปัญญาเลยมานั่งน่งอยู่เนี่ยพวกโมหลอนหรือพวกอีเดีย หรืออเวนยสัตว์สัตว์ที่สอนไม่ได้ไม่มีปัญญากันเหรือมึงเนอะคุณก็มีปัญญากันมาทั้งนั้นแหละสมตัวกันมาทั้งนั้นนึ่งก็ฟังอาตมาพูดอาตมาบรรยายจะไม่อาตมาหลอกอะไรกันนะกันหนาเขาดูถูกแหมพวกทิมานศรัทธาพระโพธิรักษณ์คนโง่ทั้งนั้นน่ะแล้วคุณไม่เสียใจมั้งเหอคุณได้ยินไหมเขาพูดอย่างนี้ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยชะด้วยน่นเคยซะด้วยคนพวกที่มา หลงไหลศรัทธาตามพระโพธิลักลณ์พวกโง่ไม่มีปัญญาไปถูกพระโพธิลัก์หลอกอยู่ได้ใช่ไหมเขาก็พูดอย่างนี้อ่พวกคุณก็โง่ให้มันตายอยู่นี่มให้พระโพธิลักษ์หลอกเอ้าหลอกเอาเอายังมีหน้ามายิ้มอีกมันก็น่าจะสะดุ้งตื่นกลัวแล้วก็เออจริงหรือเปล่านี่หนีออกไปดีกว่านี่โอโ้โหนี่ ท่านก็เปิดเผยแล้วนี่ยบอกแล้วเนี่ยพระโพธิลักมันนั่งหลอกหลอกอกอยู่นี่คนอื่นเขาก็เตือนเตือนเตือเตือนอยู่เนี่ยยังนั่งยิ้มเฉยน่ะธรรมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็โป่จนไม่รู้จะโป่ไงเปิดก็ไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วบอกทุกมุมทุกเหลี่ยมเขาจะยังไงก็บอกหมดอะธมาไม่ปิดไม่บังไม่พลางไม่อะไรทั้งนั้นก็ว่ากันไปใครจะว่าก็ยังงีนเคาจะยางงี้ก็ว่ากันไปยางนั้นตามเขาว่าอรมาไม่เห็นแคร์เลยพง พูดจริงๆคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามอาตมามีหลักฐานอาตมามีสิ่งยืนยันสิ่งแสดงให้คุณเอา ส, สิ่งจริงอย่างนี้ขนาดอาตมามีอะไรเปิดเผยให้ยืนให้คุณรับไปดูว่าเออนี่มันไม่ตัวหลอกนะนี่มันตัวจริงนะนี่มันตัวดีนะไม่ใช่ตัวเกย์ น, นะอะไรก็คุณก็ตัดสินเอาเองอาตมาเองแสนที่จะไม่กังวลแสนที่จะไม่ห่วงเลยใครจะว่าดีหรือไม่ว่าดีว่าดีก็ไม่ได้ว่าอะไร ว่าไม่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่ได้กัวงวลไม่ได้ห่วงไม่ได้เสียใจน้อยใจดีใจอะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาใครจะว่าอาตมาดีกว่าว่าอาตมาจริงใจไม่ว่าดีเขาจะติจะติงอะไรมาอาตมาก็ cleaning, a, รับมาฟังมารับฟังมามาวิเคราะห์วิจัยของเราเองเออเราก็ว่าเราจริงใจเราก็ว่าเรารู้ดีอย่างนี้นะดีเ ง, งี้ยอย่างงี้มันถูกมันเป็นอย่างงี้ล้วก็ว่าไปเปิดเผยไปมีหน้าที่เปิดเผยมีหน้าที่บอกความจริงก็บอกออกไปเปิดเผยออกไป คนมีหน้าที่รับก็รับไปรับจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่ได้พูดเอาตังคุณนะแล้วคุณก็ไม่ได้จ้างอาตมาพูดนะใช่ไหมอาตมาพูดนี่บังคับให้คุณเอาตังค์มาให้อาตมานะก็เปล่าแล้วบอกว่าพูดใน่อท่นหน้าดิฉันจ้างดิฉันจ้างก็เปล่านะอาตมาไม่จะมือปืนรับจ้างอีกแหละพูดจะเอาสตังค์คุณก็เปล่าพูดฟรีๆเนี่เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่ว่าอะไร ไม่รู้จะพูดเรียมไหนก็พูดให้มันหมดทุกเรียมกันแล้วกัน <MA IL EN C IO> นี่มันเป็นอย่างนี้เจโตนี่แปลว่าจิตเจโตก็แปลว่าจิตปริยะแปลว่าอันเป็นที่รักก็ได้ปรีแปลว่ารอบก็ได้อันเป็นรอบก็ได้ยานอันรู้รอบในจิตปริย า, ยานเจโตปริย า, ยานยานอันรู้รอบในจิตหรือว่าแม้ยานที่รู้ จิตอย่างหน้าพอใจแล้วดังหน้าดีใจแล้วแมเรารู้จักเป็นยานที aux, right ่อย่างรู้เจโตยานที่รู้จิตอย่างหน้าพอใจหน้าปราบรึมหน้าภาคภูมิเพราะว่าเราได้ดีเราได้ยานเราได้ยานยานที่มันรู้จิตเนี่ยญานที่รู้จิตจิตเรานะจิตที่ต่างหากจากและจิตที่มันเป็นราคะก็รู้ว่าจิตเป็นราคะจิตที่เป็นมิมุติก็รู้ว่าจิตที่เป็นมิมุติและจิตที่เป็นมิมุติกับจิตที่เป็นราคะมันต่างหากจากกันไหม ตอนนี้เห็นไหมนี่แหละจิตอื่นจากจิตนั้นจิตแต่ก่อนนี้เราเป็นราคะบัดนี้สมมติว่าเราถึงมีมุดแล้วออนี่จิตอื่นต่างจากจิตนั้นนี่ปรจิตตังนี่แหละประัตตานางังนี่ระปักประบุคล า, านางังยิงไปถึงขั้นบุคล า, านางังถึงขั้นว่าโอ้ยจิตนี้แต่ก่อนนี่จิตเป็นปุถุบุคคลเดี๋ยวนี้เป็นจิตของอรหัตตบุคคล มันก็ต่างหากจากกันนี่จิตอื่นหรือจิตต่างหากจากจิตนั้นรู้ได้ด้วยใจเนี่ยสามารถบุคคลรู้ใจรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจเขาแปลว่าบุคคลอื่นถ้าตุมาจะแปลว่า ร, รู้ใจของสัตว์ต่างหากจากของบุคคลต่างหากจากต่างหากจากอันเก่าอันเดิมก็ได้ รู้จักใจต่างจากใจรู้จักใจของสัตว์นั้นต่างจากใจของสัตว์นั้นรู้จักใจของบุคคลนั้นต่างจากใจของบอุคคลนั <worst one> sort of ้นใจของบุคคลอันนี้ต่างจากใจของบุคคลอันนี้ซึ่งเ้าจะอธิบายเขาก็คงอธิบายย่นเยอะหยุบยาไปเขาก็เลยใช้ภาษาคาสั้นๆเลยสั้นก็เลยยิ่งเบี่ยวเบียงเบียงไปเลยยิ่งเข้าใจผิดผผิดเพี้ยนมันก็เลยไม่เข้าเป้าเข้าใจความหมายเพี้ยน มันก็เลยไปออกนอกงงเหรอทามอาตมาถึงว่าถ้าอาตมาแปลพระเตยปิดกนี้เนี่ยอาตมาก็ไม่คิดอ่านเลยนะว่าอาตมาจะต้องกลับมา น, นั่งแปลพระตยปิดกเหมือนท่านพุทธทาสน่แปลไปแล้วท่านบอกว่าพระเตยปิดกที่พวกนี้เ็าแปลไว้นี่ท่านเคยพูดนะท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ ท่พุทธทาสนี่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วท่านก็แปลของท่านท่านก็พยายามแปลของท่านโดยพยายามใช้ปัญญาใช้ญาของท่านอาตมาก็รู้สึกถ้าอาตมาแปลอาตมาก็จะได้ความคมความชัดด้วยว่าความอะไรแต่เท่าที่อาตมามีญาณแต่อาตมาก็ไม่คิดว่าอาตมาจะแปลมานั่งแปลพระติปดกอีกใหม่แหมชาตินี้ไม่มีโอกาสเดดขาดเลยแค่แต่ว่าอาตมาจะอ่านของเขาที่แปลไว้ในเหนหมดนี่ก็ยังไม่รู้จะจบหรือไม่จบชาตินี้ไม่รู้ว่าศาสนาจะมีบุญด้วยว่าอ่านในเหนหมดหรือเปล่า แต่เขพยายามเนละตั้งใจตั้งใจจะอ่านให้มันหมดทุกแต่ลนะทุกทั้งทั้งชุดเนี่ยแม้รอบเดียวก็บุญมากแล้วละ่ะอาตมาจะพยายามแต่มันก็ยังไม่ได้ลงนะเนี่ยได้มันไม่เท่าไรหร่เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันอาตมาจะเอามาสอนพวกคุณอาตมาจะได้อ่านไปด้วยก็เ <c oughs> <c oughs> วลานี้จะไ ง, ไงก็บังคับกันไปในตัวสอนคุณไปด้วยเปิดเผยไปด้วยอาตมาก็ได้อ่านไปด้วย ที่จริงอาตมาเป็นครูที่นอกพิธีการคืออาตมาเป็นครูที่ไม่เคยเตรียมการสอนหยิบหนังสือมาก็สอนเลยทุกทีไปโดยเฉพาะพระเตยบิดกไม่เคยเตรียมการสอนหยิบมาเปิดถึงหน้าไหนก็นสอนกันเลยอ่าบทไหนก็นสอนกันเลยไม่กลัวอันไหนมาติดสับก็เปิดสับบางถ้าไม่ติดสับสอนกันไปเรื่อยๆไม่กลัวอาตมาสอนมาแต่ไหนแต่ไหนล้ ไม่เคเตรียมการสอนหรอกพระอาตมาได้อ่านบ้างนี่ก็โอ้โหดีนี่อาตมาได้อ่านน้อยอย่างขนาดนี้ที่จริงอะดีแล้วละ่ะถ้าอาตมาอ่านมากกว่านี้ประเดี๋ยวมันก็ซัดหนักกว่านี้ทีอาตมาแน่ใจว่าถ้าอาตมาอ่านพระแตรปิฎกหมดโดนโดนหนักกว่า น, นี้เท่านี้ยังขนาดนี้ถ้าพอาอ่านหมดเนี่จะขนาดไหนก็ยังไม่รู้เลยจะเอาละบุญของเขาที่โดนเบาหน่อยเดี๋ยวจะโดนหนักกว่า น, นี้นะ ก็สรุปแล้วท่านเทียบนะเราจะรู้จิตทั้ง16นะวัดลงไปเลยนะ น, นับนับให้ได้ราคะโทสะโมหะนี่สมแล้วนะอาราคะอะโทสะอะโมหะนี่แปลเอาเองในใจนะไอ้อย่างนี้แปลไม่ออกก็แหมนั่งเรียนชั้นนี้ไม่ไม่ถูกชั้นแล้วงั้นโน่นไปชั้นกไก่ ทะเดีนชั้นนี้ขนาดนี้ยังไ oh <ım. S 1> ม่ร like ู้ดิราคะโทสะโมหะนี่สแล้วอะราคะอโทสะอะโมหะนี่อีกสมก็เป็น6แล้วเพราะฉะนั้นที่มีราคะก็รู้ว่าม oh ีราคะที่รู้โทสะก็มีโทสะที่รู้โมหะว่ามีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะที่รู้ว่าไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะที่รู้ว่าไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะที่รู้ว่าไม่มีโมหะก็ไม่รู้ว่ามีก็รู้ว่าไม่มีโมหะแม้พูดเร็วปื้อเลยมันมันเส้นเวลาอ่ะมันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจบ้างต่อมาสังกิตะ สังกิตตังวิกิตตังอีกอันนึงก็วิกิตตังวิกิตตังวิกิตตังจิตตังหรือสังกิตตังจิตตังสังกิตตังจิตตังก็แปลว่าจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเสื้อธรรมาก็ได้ขยายความแล้วก็ยังไม่ได้คิดคําเหมือนกันนะว่าควรจะแปลว่าคําว่าอะไรดีสังกิตตังเส้อธตมาก็ยังไม่ได้คิดคําหรือวิกิตตังจิตจิตตังก็ไม่ยังไม่ได้คิดคำก็คิดไว้แล้วหดหูก็ลำลองเข้าไปก่อน อาตมาอธิบายฟังแล้วเมื่อกี้ว่ามันยังไม่น่ายินดีมันหดหูมันยังไม่น่าปลื้มใจมันยังไม่น่ายินดีมันได้แต่มันยังไม่น่ายินดีก็ไม่รู้จะแปลว่าไงก่อนยังไม่ได้คิดคําเอาแค่นี้ก่อนจิตที่ฟุ้งซ่านเขาก็แปลง่ายๆไปฟุ้งซ่านไปตรงกับคาว่าอุทธจักรคำอะไรอีกมั่งหรอฟุ้งซ่านมันมีอีกนะอาตมาว่าบาลีมีอีกคําว่าแปลว่าฟุ้งซ่านคํานี้ก็มาแปลว่าฟุ้งซ่านอีกอะวิจิตตังที่จริงมันไม่ใช่ไปฟุ้งซ่านอย่างนั้นคือมันยังก็ เซนกันเดินกระเซนกันสายนี่อท่านมาเอาสภาวะจิตมาอธิบายมันยังไม่เป็นสภาพที่แน่แม่นมันยังไม่แม่นมันมันยังไม่ชัดมันยังเบลอๆก็ดุกกระดิกระจนกระจายอยู่เนี่ยโอ้ไม่รู้จะทำยังไงให้ดูนี่จิตมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็ดูออกก็แล้วกันทํามือมันยังไม่มั่นมันยังไม่แม่นมันยังไม่แน่ใจจึงว่ามันก็ดีเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าได้ดีเหมือนกันแต่เอ๊ะเราดียังไงมันยังอ่านไม่ออกหรอกมันยังไม่ชัดเจน มันก็ลดว่ลดลดลาลดก็ลดเอ๊ะว่ลดราคาก็ลดราคาเหมือนกันนะว่าลดโทรศัก็ลดเหมือนกันนะแต่มันก็ยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ยังเอ๊ะมันได้ขนาดไหนก็ยังไม่ออกเพราะทําให้ยิ่งขึ้นมหาคตะทําให้ยิ่งขึ้นถ้าทําไม่ได้ยิ่งขึ้นมันก็เท่าเก่าหรือว่า wow, มันเลวลงก็รู้สิว่ามันไม่มหาคตะมันไม่ได้ดีขึ้นนะมันไม่ได้ยิ่งขึ้นมันไม่ได้สูงขึ้นนะมหคติว่าให้สูงขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นอามหคตะ มันไม่สูงขึ้นไม่ยิ่งขึ้นนาะมันก็แค่นั้นแค่เก่าหรือต่ำกว่าเก่าด้วยก็ต้องรู้นี่เป็นอีกสองทีนี้เป็นคู่คู่คู่คคไปสังกิตตะวิกิตตะคู่หนึ่งมหาตะก็อมหากตตะอีกคู่หนึ่งต่อมาก็สัตุตระกับอนุตระอีกคู่หนึ่งสัตุตราก็เออชักยิ่งใหญ่ชักดีขึ้นมาแล้วแต่แหมดียิ่งกว่านี้ยังมีอีก จิตที่ดียิ่งเกินจิตนี้ยังดียิ่งกว่ากว่านี้มีอยู่<แ>เห็ น, น <ส Laser. S 1> ว่าจิตที่ดีจิตมีจิตอื่นที่ดีกว่านี้นะมีจิตที่มันดีกว่านี้มีได้เอจิตที่เราได้ขนาดนี้ก็บัรดีขึ้นมาแล้วนะมันไม่เหมือนจิตหดหูที่ว่านะเรามันยังไม่เหมือนิตสังกิตตังจิตตังมันยังไม่ได้ท่าอะไรเลยอันนั้นแต่มันก็ได้แต่ตอนนี้ได้ขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกแล้วแต่มันก็ยังนะมันก็ยังมีอื่นมันยังไม่ดีที่สุดนะ คุณก็รู้ว่านี่เป็นสกอุตรจิตตังจนคุณทําอีกทําอีกจนเป็นอนุตรังจิตตังอ๋อแจ๋วเจ๋งแล้วดีกว่านี้ไม่มีหวังกันนะสงบละงับไม่มีกิเลสก็แล้วแต่ดับกิเลสแล้วแม้คุณจะดับกิเลสก็ยังไม่พอบอกแล้วว่าศาสนาพุทธนี่กิเลสดับอ่าเป็นกิเลสแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไม่เกือกเออเ้อกูลไม่เอื้อเฟื่อหิตาในแปลว่าประโยชน์เกื้อกูล หิตะเนี่ยแปลว่าประโยชน์เกื้อกูลเพราะงั้นมันยังแค่ได้แค่อนุตรจิตในตัวหนึ่งอย่างนี้แต่มันยังไม่มีเงื่อนไขอื่นคือเงื่อนไขของสมาหิตะยังไม่ถือว่าเป็นจิตดีสมพรมยังไม่เป็นยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นอย่างนี้ยังไม่เรียกวิมุติเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกวิมุตต้องให้มีสมาหิตะดีถึงขีดสอบได้หรือเต็มที่ เป็นสมาหิตจิตอนุตระด้วยสมาหิตะด้วยจึงจะเรียกวิมุตตจิตพราะจิตที่เป็นวิมุตต์ก็จะต้องมีดังกล่าวนี้เป็นอนุตระจิตเป็นสมาหิตจิตไม่ใช่สมาหิตจิตคุณก็ต้องรรู้ว่าไอ้ที่ไม่ใช่สมาหิตจิตเป็นอย่างไรเป็นจิตที่มันเป็นไม่เป็นสมาธิแบบมีประโยชน์คุณค่าเกื้อกูลมันเป็นยังไงอ่ะก็จิตเสพสิวิมุตต์โสบายจริงโวแล้วนั่งเสพแต่จิตวิมุตต์อยู่อย่างไงน่ะ พีมือขอคุณว่าเองนะที่จริงอนุตรจิตที่มันสงบสงบก็ฤๅษีนี่แหละเห็นชัดเจนแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาฤๅษีเอามันกันไม่ใช่ไม่เอาก็ว่าไม่เอามันก็มันก็แข็งไปเอาจิตอย่างฤๅษีมีมีด้วยแต่จิตอย่างฤๅษีมีอย่างยังไม่ใช่เงินขายของพุทธ ย, ยังน้อยไปยังไม่จบเท่านี้ความพุทธเจ้าเหนือนกว่านี้ต้องมีสมาฮิตจิต ต้องมีจิต ท, ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เกื้อกูลบอกแล้วว่าฮิตาทิชแทแปลว่าประโยชน์เกื้อกูลมันมีจิตเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเนื่องด้วยความเกื้อกูลอยู่หน้าไม่ใช่มานั่งเห็นแก่ตัวมานั่งเสพแก่ตัวมานั่งจะได้แก่ของตัวเท่านั้นไม่พอเจโตปริยาจะต้องลึกซึ้งอย่างนี้พอถึงขนาดนี้จึงจะพาะกล่าวได้ว่าวิมุตติแต่คุณก็จะต้องพิสูจน์ไปให้ลึกซึ้ง แม้มันจะมีเศษมีเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆเป็นอักวิมุตจะจร อ, อยู่หรือยังไม่จออยู่ที่จริงนะ่ะเวลาส่วนมากเราก็วิมุตนานๆไปแล้วมันก็มีผลิเพลิ้มาแวบผีหลอกบ้างแต่ถ้าคนที่แข็งแรงแล้วอินทรพละดีสามารถรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมได้มากอยู่มันก็จะรู้ว่าอ๊ยนี่มันมันหลอกเราเราโว้ยคุณก็ได้ฝึกมาเป็น าสามารถฝึกมาเป็นนิสรณะณัปะหารสามารถฝึกมาเป็นแม้แน่ใจว่าเป็นสมุติเฉตตะปหารเอ๊ะแต่มันก็ยังหลอกเราได้นะเราก็แน่ใจว่าสมุติเฉตแล้วนะนี่มันเด็ดขาดแล้วนะมันวางได้ติดต่อต่ อ, ตอเนื่องกันอยู่ยาวนานแล้วนะมันก็อาจจะมีจรมาบ้างก็ได้อย่าไปปล่อยปละละเลยอย่าปล่อยปละละเลยจนเผินเพราะว่าไอ้พวกจนจนหลอกหลอ ก, ลอกเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ย คุณจะต้องรู้แววยสังเกตสังกาสุขุมประนีดอยูอ่ในจิตของเราเสมอเสมอเสมอคุณจึงจะจับได้คุณยึงจะรู้ได้แต่เรารู้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาแม้มันจะมีวิมุตจรเล็กๆน้อยคุณก็จะไปมีความสงสัยอะไรล่ะคุณก็บอกโอ้ไอ้ น, นี่มันยังไม่มันประมาทไม่ได้ฮะจะทําให้คุณระมัดระวังตัวพราะรู้แต่แท้จริงคุณก็ได้วิมุตเป็นส่วนใหญ่แล้วละ่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นวิมุตต์ไปแต่มันก็มีจรมานิดหน่อยคุณก็จะรู้ตัวสุดท้ายมันไม่มีเลยอวิมุตต์ก็ไม่มีมันวิมุตต่อเนื่องไปยาวนานเลยแม้ว่าได้วิมุตต์ไปมากแล้วมีอวิมุตต์จรเล็กๆน้อยคุณก็ยังอยู่ในเขตอัลลฮันได้เหมือนกอันอัลลฮั์ยังไม่ร้อยเปซ็ท่านั้นแหละสอบได้แล้วเราไดบเปอร์ซ็นต์ขึ้นไปเก้าอร์ซแล้วมันมีนนิดๆหน่อยๆก็จะเรียกว่าสอบได้ก็สอบได้ แต่ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์รหังควรจะถือว่าร้อยเปอร์ซนตะเราก็เอาที่ยวเราสอบได้แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ขั้นเต็มเป๊ะเลยแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นอุดมการณ์ก็ต้องทำอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทแต่มันก็สบายแล้วอนาคามีก็สบายโขแล้วแหละถึงการอนาคามีภูมิเพราะฉะนั้นถึงการอรหังตภูมิมาถึงขนาดนี้แล้วลเออไม่มีปัญหาอย่างขนาดนี้จิตของคุณนี่นะคุณ ในเรื่องอะไรบ้างที่คุณปฏิบัติมาสิ้นข้อหนึ่งสิ้นข้อสองข้อสามข้อสข้อหาอบายมุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรของแต่ละบุคคลคนก็รู้เรื่องนี้ของเราเนี่ยมันชัวร์แล้ว 90% มันแน่แนแล้วสบายสบายแล้เชื่อมั่นในตัวเอง 90% แล้ ว, ลวคุณจะไปทุกข์อะไรแต่คุณประมาทไม่ได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คุณประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยเท่านั้นเองแต่คุณจะไปทุกข์อยู่หรือปฏิบัติไปได้แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นมะ์น่ะจะทุกข มันทนได้โดยไม่ยากแล้วตั้งแต่หกสิเจ็ิมันก็ทนได้โดยไม่ยากแล้วพ้นทุกแต่ต้องถอนอาสวะนั่นเองมันถอนไปละล้างไปเหลือเศษเล็กเศษน้อยจนกระตั้งโอ้จนมั่นใจมีทั้งอํานาจเหมือนกับคุณจะรู้ตัวเองอาตมาไม่รู้จะเทียบอะไรจะหาว่าอาตมาเทียบหยาบเมื่อก็คุณขี้สุดแล้วคุณก็รู้ว่าสุดแล้วจะหาว่าเทียบหยาบใช่ไหมแล้วใครไม่รู้ว่าตัวเองขี้สุดแล้วไม่รู้ยกมือขึ้น ไม่รู้ก็คงตกซ่วมอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องออกมาโอ้ยมาสุดหรือยังหวาต้องคอยให้คนอื่นมาบอกไม่รู้ฮะกินอิ่มมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดกินอิ่มไม่ค่อยชัดหรอกกินไม่อิ่มก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ขี้สุดนี่ชัดอ้าวชัดกว่านะอาตมาว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ยกประกอบชัดกว่าขี้สุดคุณก็รู้ว่าคุณขี้สุดชั้นใด คุณก็รู้ว่าวีมูทของคุณก็วีมูทแล้วฉันนั้นคุณจะรู้อ่มันมีเหมืองกันบางทีเรานึกว่าเราขี้สุดแล้วเอ๊ออกมาแล้วมันยังมีน้อๆอีกไว้มันมีบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใช่ไหมส่วนใหญ่เรามันแหมมันไม่แม่นเยอะหอขี้สุดแล้วเราก็สุดเนี่ยแม่นส่วนใหญ่มันแม่นนานๆ น, น, น้อยๆทีล้อไอ้ท้องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือจะ จึงจะมีท้องไม่ค่อยดีจึงจะรู้ว่าแม่เรานึกมาสุดแล้วนะน้อยออกมาแล้วมันยังมีอยู่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยประดูดอย่างเงี้ยไอ้คลายเงี้ยนี่อาตมาก็เทียบเคียงเี้จะหาว่าอาตมาเทียบต่ําเทียบต่ำอะไรมุกอาตมาก็นึกไม่ออกว่าจะเทียบอะไรดี <c oughs> อาตมานึกนึกถึงว่า ก, กินอิ่มก็รู้ว่า ก, กินอิ่มเนี่ยอาตมา ก, ก็นึกว่าไม่นากินอิ่มมาดูว่ า, ก, วา ก, กินอิ่มนี่มันไม่หรอกโดยเฉพาะคนที่มีกิเลสเนี่ยแหมทจริงมันควรอิ่มตั้งนานแล้วมันก็ไม่อิ่มไอ้คนมีกิเลนะ แต่อกขี้สุดนี่มันมันชัดมันชัดอีกี้สุดไม่มีใครไปนั่งนอกจากคุณจะไปทําอื่นแล้วแต่นะถ้าไม่ทําอื่นบางทีนั่งขี้สุดไปตั้งนานแล้วแต่อ่านหนัง ส, สือยังไม่จบหนังสือยังไม่จบก็เรื่องของไปอ่านหนังสือก็เรื่องของคุณอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องขี้สุดคุก็รู้แล้วว่าคุณขี้สุดแล้วมันจะรู้ในความ ร, รู้สึกเรามันสุดแล้วก็สุดละชั้นใดก็ฉันนั้นนะ ค, คุณวิมุตคุณก็จะรู้ว่าวิมุตชันนั้นนะเพราะนอกจากกิมีเศษจรอย่างที่กล่าวแล้ว ถ้าท้องไม่ค่อยดีมันอาจจะมีเศษจร อ, อยู่บ้างหรือมันมีอะไรมันไม่เขาถา ม, มก็อาจจะมีแต่จริงๆแล้วมันก็แล้วก็วแล้วกันไปนี่บิมุตอ่ะทีนี้ท่านเปรียบอุทาหรณ์ว่าเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวอชอบเลยนะชอบการแต่งตัวด้วยนะก็เหมือนกันก็เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราใยที่จะละเราต้องการนิพพา น, นก็เหมือนกับท่านเทียบว่าไปเหมือนกับทางโลก เมือไใยชอบการแต่งตัวที่จริงมันไม่ใช่นะมันโคตรทิศเลยนะชอบการแต่งตัวไปหากิเลสแต่ายวิมุติีมาหาทางดับนะท่านแต่ว่าท่านเทียบอ่ะให้ตั้งหลักให้ดีว่าท่านเทียบเหมือนกับคนแหมลักการแต่งตัวเสร็จแล้วก็เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ า, น า, นาอันใส หน้ามีใฝก็รู้ก็พึงรู้ว่าหน้ามีใฝหรือหน้าไม่มีใฝก็พึงรู้ว่าหน้าไม่มีใฝฉันใดภิกษุก็ชันนั้นแหลท่านเอาใจาหอนไว้เท่านี้นอกนี้ท่านก็ต่อเมื่อก็ประโยคต้นเลย เมื่อจิตบรสมาธิเป็นสมาธิบริสุทธิของแปมไม่มีกิเลสปัสจักอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไว้ย่อมน้มจิตไปเพื่อเจโตปริยานเธอย่อมกําหนดใจรู้ใจสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเหมือนกันก็ไอ้ตนที่มาหมดนั่นแหละจนกระทั่งจบเหมือนกันเลยทีนี้ก็ขออ้อเปรียบเทียบข้ออุทาหอ์เปรียบเทียบก็คือเมื่อคนที่มันแหมไฟใจที่จะมหานิพพานก็เหมือนคนที่รัก ความสวยความงาม ร, รับความสะอาดความผ่องแผ้วจะคอยส่องกระจกของตัวเองอยู่ ح, เรื่อยๆนะโอ้มีฝัแล้วมีแมงแล้วเช็ดปัดทูอยู่เรื่อ ย, อ ย, อยก็สะอาดอยู่เรื่อยๆชั้นใดคุณก็ตัดกิเลสปัดกิเลสออกเหมือนคุณดูเงาหน้าของตัวในกระจกอยู่เสมอและอยู่ในน้าําใสอยู่เสมอเห็นเงาหน้าของตัวอะไรมาแผ่วพาอ้าวอะไรมา พ, อพอาพอกาวก็ขยายมันเข้ามาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆชั้นใดก็ชั้นนั้น เจตปริญญาดูมันรู้เลยดีเข้ามานิดนึงก็ให้รู้จนตาคุณดียับหยามมาก็โอ้โหเคลเลยขนาดนี้หน้าใสขนาดไหนดูเงาหน้าแล้วหน้าใสขนาดไหนโอ้สายฝ้าแล้วยังเยอะอยู่เอาออกกันแล้วกันเมื่อคุณรักความสวยงามรักนิพนานก็ต้องเอาไฟยฝ้าออกเอากิเลสออกจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ที่สุดถึงขนาดมันไม่มีแล้วนะเราว่าไม่มีแล้วนะ อ้าดูอีกทีนิหน้อยมันซ่อนอยู่ที่เปลือกตาซ่อนอยู่ที่เงาจมูกซ่อนอยู่ที่ในตรงนั้ น, นก็ต้องพยายามเพียรพยายามเหมือนใจมันนะมันถ้าใจคุณเป็นผู้ใ่นิพพานมันก็ต้องพยายามปฏิบัติโดยนัยประการอย่างนั้นแต่มันไม่ถึงนะอาตมาว่าไม่ถึงเหมือนกับเรารักความสวยความงามนะแมแต่งจริงดูหน้าดูจริงส่องเื่อยส่องอีกส่องอีก อันนี้ก็ยังไม่งามวันนี้ก็ยังไม่เหมาะใจแต่งอยู่เรื่อยส่องอยู่เรื่อยถ้าเราแต่งกิเลสของเราออกจากจิตขับกิเลสของเราออกจากจิตส่องดูจิตใจของเราว่ามันมีกิเลสมีแพ่วพามีไฟมีฟ้ามีราคีมีอะไรบ้างเท่าไรเอา้ามันออกเรื่อยๆยนเรื่อยได้เหมือนกับเรารักที่การจะรักการตกแต่งหน้าตาส่องกระจกดูเงาหน้าของตัวฉันใดเราก็จะมีหวัง จะถึงซึ่งเจโตปริย า, ยานชั้นนั้นทีนี้ในยาของเจโรเจโตปริยานก็คืออธิบายไปที่จริงอธิบายถึงวิมุติมันก็จบแล้วจริงเนี่ยมันอยาสวะเยยานแต่ในเนื้อหาเหมือนกันกับอิทธิวิธีอิทธิวิธีอธิบายไปโด ย, ยตั้งถึงมีอำนาจทางกายไปตลอดพมโลกได้มันก็คือจบนิพพานเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะ่ะแต่ในยะมันละเอียดไล่เลยมาแต่ในข้อแต่ละข้ อ, แ ต, ขอแต่ละข้อก็เลื่อยมาถึงจบทั้งนั้นแหละแต่ละข้อ ถึงขั้นสมบูรณ์ทั้งนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเกี่ยวเนื่องโยงใยกันมาเมื่อคุณมีโสดทิพสามารถรู้อะไรต่อะไรลึกซึ้งละเอียดขึ้นมาก็คือมารู้ใจมารู้กิเลสมารู้ลักษณะจิตที่ได้ตัดกิเลสออกมีลักษณะอย่างไรอย่างไรอย่างไรสุดท้ายอะราคะอะโทสะอโมหะชนิดวิมุตตสรุป ง, ง่ายๆเจโตปริย า, ยานชนิดวิมุตตพอฟังรายละเอียดอย่างนี้แล้วเนี่ย คุณก็จะปัิเจกสัจจะบรรเทาว่าอ๋อไอเจโตปริญานที่ได้มีฤทธิ์เจโตปริญานไปรู้จิตคนอื่นจิตสัตว์อื่นอะไรนี่มันไม่ได้เป็นนั่งเพ่งรู้จิตคนอื่นจิตสัตว์อื่นไอทิวายัางงั้นรอกคุณบรรเทามา่งเงียงอแต่ที่นั่งนัมาเรียนก็จะมามานานแล้วก็คงบรรเทา น, านานแล้วอ่ะแต่คนที่ไม่บรรเทาหรือว่าคนที่มาใหม่ใหม่ะใครหน้าใหม่ใม่เพิ่งมาเรียนน่ะอ๋อเงี้ยเหรอ โอ้แต่ก่อนนี้เลยไม่ได้เตียนมาอย่างนี้เลยก็แต่ยินแต่ว่าเรานีนั่งรู้จิตคนอื่นก็คือเป็นนั่งเพ่งคนนี้กําลังด่าเราคนนี้กําลังชอบเราคนนี้กําลังชังเราอะไรอยู่อย่างนั้นเท่านั้นนะไอ้ที่ราได้ยินได้ฟังมานีืจะพูดว่าภาษาอะไรก็ว่ากันไปแปลกันไปตั้งเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ก่อนนี้ได้ยินแต่ว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เห็นเปลี่ยนมั้งยังรู้จิตสัตว์อื่นรู้จิตบุคคลอื่น เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสัตว์อื่นบุคคลอื่นคือเอาตัวตนบุคคลเราเขานี่กับภาษาพระอภิธรรมท่านบอกว่าภาษาพระอภิธรรมท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าปรัมัติธรรมแล้จะได้บัวเอาตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่เอาจิตเจตสิกรูปนิพานของเราเรียนรู้ที่ตัวเองอันนี้ต่างหากเราเพราะฉะนั้นรู้จิตอื่นสัตว์อื่นพอพูดแล้พูดดีนะพระอภิธรรมก็ตาม ผู้ต้องประมัดต้องตัวเองไม่ใช่ไปทะเลาะอื่นต้องเรียนจิตเจตสิกลูปที่พ่านตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ประมัดพอเวลาแปลอภิธรรมแล้วอเวลาแปลอภิอภิญญาแปลวิชาเนี่ยอภิญญาอ้าวไปแปลเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแล้วเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวบุคคลตัวตนเราเขาเจตัวปริญานี่เขาสอนไปแล้วว่า บอกว่าปรมัต ธ, ธรรมอภิธรรมนี่มันไม่เกี่ยวกับบุคคลตัวตนเราเขาหรอกแต่เสร็จแล้วมาบอกอภิญญาอภิญญานี่ยิ่งต่อยอดเจจิตเจตสิกรูปนิพพานเลยแหละนี่เขาไปหาวิมุตตินิพพานเลยลยิ่งตัวจริงเลยอนุเป็นอุตริมนุสธรรมแท้ๆเสร็จแล้วเขาก็บอกว่ารู้จิต บ, บุคคลอื่นรู้จิตคนอื่นบุคคลอื่นอ้าวแล้วไปตัวตนบุคคลเราเขาทําไมอะ่ะพูดไปแล้วก็ไม่ไม่เข้าเขาแก๊ป ไม่เป็นตัวจิตไม่เป็นในจิตออกไปเป็นบุคคลอื่นออกนอกตัวเขายังไม่รู้สึกเลยแล้วเขาก็โงกลับมาไงไหมโงกกับมาหาตัวเองว่าก็จิตท่านไงเนี่ยจิตเจตสิกจิตฉันมีอำนาจไปสามารถมีวิชาไปอย่างรู้จิตบุคคลอื่นแล้วก็เป็นตัวเป็นตนไปนเงี้ยแล้วมันเป็นไปเพื่อความละหนคลายหรือเปล่าเลยอย่างเงี้เขาก็ไม่เข้าใจ ก, ก็พูดกันไปสอนกันไปอยู่นั่นคมคลามคมคลาม อาตมาเขพูดเปรียบเทียบคนอื่นด้วยไม่ได้เจตนามุ่งร้ายในี้ใครฟังเสียงสอง อ, อกมั่งล้วว่าอาตมากำลังโกรธเขาเคืองเขากําลังอาฆาตมากร้ายกําลังยกตัวข่มท่านกําลังมีมารณ์นะก็ก็ใช้ใช้ใ ช, ใช้ทิพยโสทคุณก็ใช้ทิพยโสของคุณฟังเอาว่าอาตมาเป็นอย่างนั้นหรือไม่ท้าให้ท้าใ ห, าให้ให้วัดทิพยโส ด, ด้วยนะ อันนี้เป็นเจโตปริยาณก็อีกอันหนึง่งนะอ้ า, อาลองบุเพนิวาสานุสติยานอีกสักหน่อยแต่ยาวอันนี้ก็เหล่าอะไรจะไดได้อีกเยอะแต่ก็คงไม่หมดสูตรละไม่หมดวักนี่แหะบุเพนิวาสานุสติยานบุเพอันหนึง่งนะบุเพบุเพออันนี้ท่านใช้ปอปลาเลยบุเพเรามาเป็นภาษาไทยเราก็เรียกบุเพแปลว่าก่อนนะอธิกรณี่วา่า นิวานิวาสนิวาดแปลว่าที่อยู่ที่มันอยู่อ่ะมันอยู่มาก่อนนะมันอยู่อย่างนั้นมาก่อนบุเพนิวาสานุสติก็บวกอนุอสติอนุสติไปบวกบุเพนิวาสส์พอนิวาสสบวกอนุสติก็เป็นนิวาสานุสติอนุสติแปลว่าระลึกตามระลึกตามไปในไอ้ที่ มันเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอจิตที่เราได้เกิดเมื่อก่อนได้เป็นเมื่อก่อนได้อยู่เมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเช่นเมื่อกี้นี่ยจิตเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้ี่จิตของคุณอยู่ยังไงเมื่อกี้นี่ยมันอยู่ยังไงตามมาเป็นที่ว่ามันอยู่ยังไงเมื่อกี้ตามระลึกตามไปดูย้อนระลึกตามไปดูก็เกิดรู้อ๋อจิตเราเมื่อกี้นี้ย้อนไปเมื่อกี้นี้เป็นจิตที่เราคิดอะไรรู้สึกอะไรจิตเมื่อกี้ของเรารู้สึกอะไรยังไงรู้อะไรยังไง นี่เป็นปรมาทิติเสร็จแล้วเขก็ บ, บรรยายปรมาทิติไปว่าบุเพนิวาสานุสติยานคือมียานระลึกชาติระลึกไปชาติที่แล้วเกิดเป็นนายกรนายขอเป็นบุคคลัวตัวเราเขาอย่างเป็นแล้วออกไปโน่นอีกเห็นไหมบุเพนิวาสานุสติยานยานอย่างรู้ชาติเกิด เกิดนะชาติบาป3ชาติบาปนี่ท่านก็ว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบุคคลนะเอาเดี๋ยวฟังดูทิศนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ ว, วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ไอประโยคนี้นี่คุณกว่าจะเรียนวิชาจบ8ประการ9ประการนี่คุณฟังจําแม่นนะไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวภาษาอย่างนี้ก็คือ ม, ทมุทุภูเตกรรมณิเยทีเตอเนจัปเตอัตมากะครองเหมือนกันเพราะว่า น, นี่ก็ว่ากันมานานแล้วสอนกันมากันนานแล้วเหมือนกันก็เป็นแบบนี้ทีนี้เสร็จแล้วเป็นไงย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุเพนิวาสานุสติญาณเพื่อให้เกิดญาณระลึกสิ่งที่มีอยู่เก่าอยู่ก่อนที่มันเป็นที่มันอาศัยอยู่เก่าอยู่ก่อนนะเธอย่อมระลึกชาติก่อนถ้าไม่ได้บอกว่าบุคคลนะชาติ การเกิดเป็นอย่างนั้นนะจะเกิดอย่างจิตถ้าเผื่อว่าอธิบายว่าจิตเจตสิกรูปนิพพาน mm. ก็ต้องระลึกถึงโอปปาติกะสิโอปปาติกะอยู่นี่มันเกิดก่อ น, นะนเนี่ยมันเนี่ยกลับไปหาบุคคลไประลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากจะระลึกชาติยังไงอะรละลึกชาติจิตสิก็บอกจิตปรมัตมมันก็จิตเจตสิกรูปนิพพานกลับไประลึกแต่ตัวบุคคลอย่างนี้มันออกนอกเห็นไหมมันเพี้ยงง่ายๆนะคุณฟังดีๆเห็นไหม แค่นี้จับได้ไหมว่ามันเพี้ยนนั่นออกไปเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแล้วแท้จริงเราต้องระลึกถึงจิตอ่าคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง3ชาติบ้างสชาติบ้างหาชาติบ้าง10ชาติบ้างยีชาติบ้างส0ชาติบ้างสีิบชาติบ้างโอ้ยเมื่อยนะห้สิอะไรอะไรไปร้อยพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตตะกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้างนะ ในภพโน้ น, นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นพออธิบายว่าอันนี้เป็นบุคคลก็เลยไปเป็นโคดแบบคนมีชื่ออย่างนั้นก็ไปเป็นชื่อแบบคนไม่ยักกับชื่อจิตไม่ยักกับชื่อกิเลสที่อยู่ในจิตเห็นไหมเนี่ยมันออกนอกปรมัตถ์ถ้าในปรมัตถ์ต้องเป็นชื่อจิตหรือเป็นชื่อกิเลสในจิตใช่ไหมแต่นี่ไปเป็นชื่อคนท่าอีกแต่ก่อนนี้เราะลึกเป็น พนาเรศสวนน่ชาติก่อนฉันเกิดเป็นพระพิชัยดาบหักแล้วไปเป็นบุคคลเราเขาเปล่าก็เป็นแต่เขาก็ไม่รู้สึกตัวก็พูดกันไปพูดกันมาแล้วก็ออกนอกอภิธรรมออกนอกนี่มันชั้นสูงแล้วฉั้นอภินยาชั้นวิชาแล้วมันก็ออกนอกเปล่าเพราะถ้าเผื่อว่าเราจับแม่นจับมั่นแล้วมันจะเข้าเปล่าไปเลยนะ ระลึกชาติต่างๆเนี่ยค่อยกลับมาทวนอธิบายนะระลึกได้ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคษอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นในแม้ในภพนั้นนั้นของโน้นอ่ะครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นก็คือนั้นของโน้นนั่นะ เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคษอย่างนั้นมีผิวพรร์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวิสวทุกสเสวิสุขสเสวิทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพกนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกชาติแต่ก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประกาศชนนี้นี่ก็พูดเหมือนซ้ําๆอยู่นะระลึกภพนั้นแล้วก็จากภพนั้นก็ไประลึกภพนั้นอีกจากภพนี้ก็ไประลึกภพโน้นอีก เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้างนั้นโคตรอย่างนั้นชื่ออย่างนั้นโคตรอย่างนั้นผิวพันธุ์อย่างนั้นอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นอายุประมาณอย่างนั้นอย่างนั้นนะพอฟังแล้วพอฟังจะภาษาคนตื่นๆมันก็เป็นตัวตนบุคคลเราเขาโอ้โหแหมนี่โคตรอะไรล่ะนี่โคตรวีรพันธ์อัตมาก็โคตรรักเพราะรักพงษ์นี่นะโคตรรัก คนนี้ก็โคดอะไรมาจากโคดอะไรละต ร, กระกูลชื่อนามสกุลสตระกูลอะไรละสะกุลนึตรกูลอะไรมาจากโคดนั้นโคดนั้นโคดนั้นก็ไปนึกเอาเป็นบุคคลหมดโอแต่ก่อนนี่นี่ ป, picnic, ปู่ชูนันนะเนี่ยตาชืนันนะเนี่ยโคดนั้นนั้ น, น, น, น, น, นว่าไปเป็นตัวตนเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็อธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อชื่ออย่างนั้นโคดอย่างนั้นผิวพันธุ์อย่างนั้นผิวพันธุ์ก็ไปเอาเลยโอ้โหที่ผิวเธอยังกาผิวนมสดอ่ ผิวทองอผิวอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเลยผิวพันธุ์อย่างนั้นที่จริงอันนี้ผิวพันธุ์ก็คือวันณนะในพระาพาบาลีนะว่าวันนะมีวันณะอย่างนั้นมีวันณะอย่างนั้นเขาก็แปลวันนะเป็นผิวพันธุ์เท่านั้นที่จริงวันณะแปลไปได้ต่างหลายในหลายชั้นหลายอย่างนะเอาแล้วก็แปลผิวพันธุ์ก็เดี๋ยวเอกไปกับเขาก่อนมีอาหารอย่างนั้นอาหารท้าก็ใช้คําว่าอาหารโดยตรงเหมือนกันมีอาหารอย่างนั้นหวานเลยอาหารก็ไปคิดถึงโอ้โหข้าวก่อนนี้มีอาหารก็คือกิน ข้าวสวยกับกับข้าว อ, าอันนี้มันก็โคตรคนไทยกินสปากเกตตี้ก็โคตรอิตาลีแล้วกินข น, นมปังฮัดดอกอพวกนี้โคตรพวกชาวยุโรปซะแล้วอะไรงี้เป็นต้น <c oughs> ก็ว่าเป็นอาหารไปอย่างงนเลยน ะ, สะเสวยสุขอย่างนั้นสเสวยทุกอย่างนั้นก็บอกกันไปไอ้ น, นี่ยังพอเป็นจิตเป็นวิญญาณบ้างสเสวยทุกสเสวยสุขนะ อายุเพียงเท่านั้นก็อายุก็อายุนะคือระยะเวลาก็อายุระยะเวลาเอาตัว ต, วตนบุคคลเราเขาก็ได้แต่อายเุเวลาของจิตก็ได้แม้ตอนนี้โอ้โหโกรธอยู่ตั้งสิบนาทีเนะี่ยหมอายุโกรธสิบนาทีนี่น่าดูนะเมื่อยไม่เบาแนละ้วโกรธอยู่ตั้งสิบนาทีบางคนกว่านั้นโกรธได้เป็นวันวันห้าแล้วมันจะผิวพรรณงามได้ยังไงคนโกรธได้แต่เป็นวันวันนะ ก็ผิวพันสามเท่า น, นั้นเองสิอย่าไปโกรธโกได้แต่เป็นวันวันนี่อายุความโกรธทีนี้พออาตมาพูดความโกรธไอ้โกรธนี่มันโทสะโคตรนะอแล้วก็ต้อมาหาโคตรจิตโคตรกิเลสแต่ถ้าไม่หาโคตรจิตโคตรกิเลสไปเป็นโคตรตัวตนบคุคคลเราเขาคุณก็ระลึกไประลึกชาติคุณไม่มีผลในทางปฏิบัติทมเสร็จแล้วมันยิ่งมีกิเลสด้วยอุ้ยเราระลึกได้แล้วขีมักจะระลึกเป็นตัวเด่นๆซะด้วยนะ ฉัระลึกเกิดเป็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าอัตมาเคยพบคนที่เขายืนยันว่าเขาเกิดชาติก่อนเขเป็นที่ราชการที่ห้านะเขาบอกดูหน้าตาเขาสิเขามัเหมือนมีเข้าเห็นไหมมีเข้านัดราชการที่หนอกจากมีเข้าแล้วเขายังบอกเลยที่ในมือนี่มีจอบล้อเห็นไหมนี่ลายนี่จอบล้อนี่มีลายจอบล้อแล้วมีอะไรแต่อะไรของเขาอีกเขาบอกว่าเขาไปได้ไอ คาถาอะไรอันหนึ่งมาบางนี่เห็นไหมเนี่มันตกมาถึงเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคาทานี่ในหลวงราชการที่หาแต่เป็นของใครก็ไม่รู้นะตอนนั้นอาตมาอยู่สมาคมค้นคว้าทางจิตมาแสดงตัวใหญ่ว่าเป็นเขาสมัยก่อนชาติชาติตะปางก่อนก็เป็นราชการที่ห้าคนอีกนี่ยังเป็นพระพุทธเจ้าก็เดื่องจัดว่าคนที่เป็นคนหรือเป็นเทวดาเนี่ยตายจากชาตินั้นแล้วจะได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็นเทวดาอีกนั้นน้อยนักส่วนมาก จำนวนเขาอาตมาดิ่งลงนรกแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าดิ่งนะในในจำนวนของท่านาส่วนมากลงนรกเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นคนไม่ได้เกิดเป็นเทวดาอันนี้ก็มีเปรียบเทียบอีกบ้างกันเมืบุรุษพึงจะออกจากบ้านนั้นไปบ้านอื่นอะไรอะไรอีกยาวละเอียดไปแล้วสุดท้ายลงท้ายก็ย้อนเหมือนกับยังเจโตปริยานนั่นแหละท่านเปรียบเทียบอะไรอะไรเสร็จแล้วท่านก็ชั้นนั้นก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละนะเมื่อจิตเป็นสมาธิผองแผ่ไม่มีกิเลสโดยสุด อะไรปราศจากกิเลสแล้วเรก็เกิดชาตินึ่งสองชาติสิชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติสังวัตกรรวิวัตกรรสังวัตกรรมวิวัตกรร บ, บ้างอะไรไปเรื่อยไปจนกระทั่งแล้วก็มีชื่ออย่างนั้นโคตรอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นนะอะไรต่างๆเหมือนกันนะซึ่งวันนี้อาตมายังไม่ขยายความไปมากละนะ่าจะพอเกินไว้เท่า น, นั้นเองว่าการระลึกชาติก็ต้องทําและก็ต้องรู้ ถ้าเผื่อว่ารู้ว่าอันนี้มันเป็นวิชาก็ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เกิดวิชาและวิมุตติเมื่อไม่เกิดวิชาแล้วจะเอาวิมุตติมาได้ยังไงเกิดวิมุตติมันก็เพราะมันมีวิชาถึงมันมีเมื่อวิมุตติแล้วมันก็ต้องมีวิชามันต้องมีอันนี้มันมีวิชาแล้วเอาอะไรเป็นวิชาเอาอะไรเป็นลบเอาวิชาล่ะเพราะว่าเราต้องล้างอาวิชาหรือลบอวิชาเราจึงจะเป็นผู้ที่มีวิมุตติมีหลุดพ้นเพราะอันนี้เป็นสามัญจะผลนะไม่ใช่ผลวิสามัญ แต่เขาเข้าใจเพียนจึงไปอธิบายผลพวกนี้เป็นวิสามันหมดเป็นสภาพว่าโอ้พระอาหารหันต์ท่านไม่มีอภิญญาไม่มีวิชาแปดอา้าวท่านมีวิชาอันเดียวอันอาสวัคยาญาณอันอื่นท่านไม่มี <c oughs> เห็นไหมเขาอธิบายเป็นเดี่ยวๆอย่างนี้ไปได้ขันตัดตามลำดับขันตัดไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่มีสภาพใช่อาตมาว่ามันมีสภาพ อย่างนี้อย่างนี้เราเรียงได้ไปนี่ก็ถามถามดูแลเมื่อกี้นี่เช็คน้อยๆดูเราบอกเจโตปริยานยังมีกันเลยเห็นไหมนี่เช็คไปเมื่อกี้นี่อื่นๆนักธรก็เคยถามพวกเรานั่งนั่งนั่งนี่เช็คไปมันก็มีลักษณะเมื่อคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าคุณมีมีมากมีน้อยมีอะไรเด่นไม่เด่นบางคนมีอันนั้นอันนี้เด่นชัดนะบางคนมีวิปัสสนาญาณเด่นชัดบางคนมีมโนมยิทธิเด่นชัดบางคนมีอิทธิพิธีเด่นชัดบางคนมีหลายวิชาเด่นชัด บางวิชาก็พอรู้ๆแต่ว่ามันไม่เด่นบางคนก็รู้แจ้งหมดทุกวิชาละไม่เด่นสักอันอบางคนรู้ได้เข้าใจหมดทุกอันทุกวิชาแต่ไม่เด่นแต่มีต้องมีทุกคนต้องมีทุกวิชาต้องมีมันสนับสนุนสอดคล้องโดยเฉพาะเราเป็นเนยยะบุคคลต้องมีถ้าเขาเป็นวิปติศน์ยูหออุกติตน์ยูก็ เ, เป็นคนที่เรียกว่าบัวพ้นน้ําแล้วเจอแสงปั๊บบานเลยนั่นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง มันเหมือนก็ไม่มีแต่มันมีแล้วเขามีอยู่ในตัวแล้วอ่ะพอฟังทำพับในบานเฉ่งเลยเนี่ยพ้นเลยหลุดพ้นเลยเนี่ยเขามีบุญบารมีเขามีวิชาพวกนี้เป็นทุนอยู่แล้วเป็นทุนมาแล้วสั่งสมมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยปฏิบัติไปแม่แม่แมบรรลุชาตินี้สั่งสมบุญไปชาคนก่อนมันก็เหมือนก็ไม่ได้ไปสั่งสม พยิงสัสมจนจะเต็มปรีไปแล้วไปพบนาพระพุทธเจ้าอีกครั้งเดียวเท่านั้นแหละฟังเทศช่อหนึ่งกันสองกันบรรลุเลยก็ได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยคุณก็สั่งสมบุญไปเราสั่งไปเถอะสั่งสมบุญไปอาจจะไม่ได้บรรลุตอนนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพุ่งเลยหรืออาจจะฟังธรรมจนสามเที่ยวพภาษาลีบุตรยังไม่ฟังเที่ยวเดียวเช่อเลยพภาษารีบุตรก็ต้องฟังอยู่ตั้งนานศึกษาไปอบรมตนไปทั้งพอสมควรกว่าจะบรรลุ ก็หลายวันพอได้บรรลุกับนั่งโบกให้พระพุทธเจ้าพัดวีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้น้องชายพระพุทธเจ้าท่านสอนน้องชายนะี่ยไม่ได้สอนภาษาดิบุตรหรอกภาษาดิบุตรนั่ง พ, พัดพวีอุปถาพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็สอนไปภาษาดิบุตรโน้มจิตตามฟังทำพระพุทธเจ้าเกิดบรรลุนั่นนี่ถ้าเขาไม่ได้เจตนาพระพุทธเจ้าไม่ได้เจต น, นาให้ภาษาดิบุตรท่านหน่อยภาษาดิบุตรเกิดบรรลุเพื ในขณะที่นั่งพัดอยู่งานพัดในแก่พระพุทธเจ้าสอนทีขะนักขะอักวิสนาโคตรอ๋อไม่ใช่น้องชายสอนปริพาชพาทีคนักขะอเวสนาโคตรอักว so ิสนาโคตรตระกูลอัเวิสนาอย่างนี้เป็นต้นภาษาดิบุตรก็สามารถบรรลุธรรม เพราะว่าท่านอีกก็มีบุญบารมีวาสนากันมามๆแต่ขนาดนั้นก็ยังสู้บางองค์ไม่ได้เห็นมาบางองค์บรรลุเ ร, เ, รเร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้เก่งกว่าท่านเพราะการจะบรรลุเร็วบรรลุช้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งกว่ากันโดยโดยรายละเอียดไม่ใช่นะมันก็พอเป็นพอไปตามมีทําได้นะเอากัแล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา <restaurant. S 1> เรียนกันไปเรื่อยใครมีความขยันหมั่นเพียรก็เอาอาตมาก็มีความขยันหมั่นเพียรไปเรื่อยๆหมดเรื่องหมดแรงก็พักกันหมดเรืๆๆ่องหมดแรงก็หยุดสอน มันยังไม่หมดเรื่องหมดแรงซ้อนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรดีกันนี้วันนี้พอ